หลักที่จะเป็นกรรมบล้วครบองค์เนี่ยมีห้าไงองค์ของปานาติบาเนี่ยหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสามมีจิตคิดจะฆ่าสี่ทำความเพียรเพื่อฆ่าห้าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียร น, นั้นถ้าครบอย่างเงี้ยศีลขาดครอบกรรมบเออ ปาโนคำว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยปาณสันยิตารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเนี่ยหมายถึงสัตว์อื่นหมายถึงฆ่าคนอื่นนั้นไม่ครบกรรมบทมันขาดไปหนึ่งองค์ไงสัตว์มีชีวิตคำว่ารู้ว่าสัตว์อื่นมีชีวิตเนี่ยเอกข้อ น, นี้มันขาดไปมีจิตคิดจะฆ่าตัวตายทำความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายลงเนี่ยมันได้แค่สี่มันไม่ครบห้า พอไม่ครบห้าแล้วก็เลยศีลไม่ขาดฉะนั้นการฆ่าตัวตายของพระเนี่ยไม่เป็นไม่ครบกรรมบทชฆ่าตัวเองเนี่ยเนะยไม่ครบกรรมบทแต่ถ้าถามว่าเป็นบาปไหมนะ่มันเป็นแต่มันไม่ครบกรรมบทเพอไม่ครบกรรมบทแล้วจึงไม่จั ด, ดว่าเป็นบาราชิกทีนี้เป็นอะไรก่อนหน้านั้นเนะี่ยมีสมัยหนึ่งก็คือ เกี่ยวในเรื่องของในพระวินัยเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พระพิจารณาอาสุภกรรมฐานกันใช่ไหมครับเมื่อสอนอสุภกรรมฐานให้กับภิกษุห้าร้อยรูปแล้วเนี่ยในภรษานั้นพระพุทธเจ้าก็หลีกเล้นและในพรรษานั้นพระเจ้าบอกว่านอกจากคนที่นําอาหารไปถวายแล้วภิกษุอื่นไม่ควรรบกวนตถาคตพระเจ้าก็เลยจำํำภรษานี่ยสามเดือนไม่ให้ภิกษุอื่นเข้าพบเลย นอกจากพระที่นําอาหารไปถวายถวายก็ไม่ได้สนทนากับใครในช่วงสามเดือนนั้นน่ะพระเหล่านั้นก็ไปพิจารณาอสุภกรรมฐานพอพิจารณาแล้วบางองค์ก็ได้บรรลุเนียแต่ก็เกิดความเบื่อหน่ายในกรารรักษกายตัวเองเนี่ยเบื่อหน่ายมากเห็นความไม่งามเห็นความไม่น่าดูของกายเนี่ยก็เกิดอิจฉาละอาใจก็เลยทํำยังไงโนาเนี่ยก็เลยไปจ้างให้คนอื่นมาฆ่า ก็มีคนคนหนึ่งไอ้จะเป็นพรามเนี่ยมันมันก็นึกว่าเป็นบุญไงพระท่านเบื่อหน่ายชีวิตแล้วเราจะได้ส่งเคาท่านให้ตายไปเสียก็เลยฆ่าวันละสองรูปสามรูปสิบรูปเป็นต้นอะไรเนี้ยบางองค์ก็ฆ่าตัวตายบ้างให้คนอื่นฆ่าบ้างปาว่าพาตายไปไม่ต่ำกว่าห้าร้อยรูปพรรษาเนะ่นพระเจ้าออกพรรษาแล้วก็มาก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้น พระภิกษุก็ไปทูลถามในเรื่องนี้พูะเจ้าก็เลยบัญญัติสิกขาบทเลยว่าห้ามฆ่าตัวตายใครฆ่าเป็นอาบัติทุกกฎขยายยังเออเป็นอาบัติก็เลยห้ามฆ่าทีนี้แต่อย่าลืมนะว่าพระที่ตายน่ะเป็นบุตุชนก็มีเป็นพระอริยะ ก, ก็มีเนี่ยเหตุผลที่พระเหล่านี้ตายมาจากกรรมอะไรได้เนี่ย ก็มาจากว่าในอดีตชาติในพระไอ้พระเหล่าเนี้ยเคยเป็นในพราน mm hmm. เคยไปฆ่าสัตว์มาเยอะพระุทธเจ้าเห็นกรรมตรงนี้แล้วพุทธเจ้าก็หลบเขาหลบอยู่นี่เป็นต้นฉะนั้นประเด็นบอกว่ามีพระเวียดนามบ้างหรือใครบ้างพระที่ฆ่าตัวตายนะ่ยมีเยอะใช่ไหมในประเทศไทยก็มีพระธรรมที่อัตะยิบัตกรรมมีการฆ่าตัวตายฆ่าเป็นอาบัติไหมก็เป็นอย่างที่บอกว่าพอพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่เป็นอบัติ ต้นๆไม่ได้หนักอะไรแต่ถ้าถามว่าเป็นปรัชชิกไหมไม่เป็นเพราะไม่ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าคนอื่นการจะเป็นอาบัติปรัชชิกเนี่ยในข้อของการฆ่ามนุษย์เนี่ยต้องหมายถึงบุคคลอื่นไม่ใช่หมายถึงฆ่าตัวเองแต่ไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วเพื่อต้องการให้ฆ่าตัวตายนะ <c oughs> เ, ออเคยรู้ประวัติของท่านโคโคิกกะไหมพระรูปเนี่ยท่าน ท่านก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันตอนนั้นท่านพิจารณาถึงกระแสชีวิตแล้วท่านก็รู้สึกว่าท่านเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายขึ้นมาท่านก็เลยคิดอยากจะฆ่าตัวตายท่านก็ให้เพื่อนศาธรรมิกเนี่ยไปหาสัตตราวุธมาท่านไม่อยากจะอยู่แล้วท่านเบื่อหน่ายเหลือเกินแล้วท่านก็ยังประกาศว่าท่านะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วในครั้งนั้นรู้สึกจะเป็นภาษารีบุตร พร้อมกับพระอานนท์นี้เรื่องเรื่อยยังไงไม่แน่ใจเนี่ยไปเยี่ยมไปเยี่ยมแล้วก็ไปห้ามพระเถลร์ก็ไปถามท่านบอกว่าท่านไม่มีไม่มีคนคอยไม่มียาดีๆรักษาใช่ไหมไม่มีหมอดีๆรักษาใช่ไหมไม่มีคนคอยอุปถากใช่ไหมถ้าไม่มีท่านจะดูแลให้ท่านอยุดอุปถากท่านก็บอกว่าเออพระชนะก็เหมือนกันเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่ว่าไม่ ไม่มีคนดูแลไม่ใช่ไม่มียาไม่ใช่ไม่มีหมอท่านมีครบนั่นแหละแต่ท่านเบื่อหน่ายกายนี้ท่านอยากจะตายท่านเยียวยาอยากจะตายทีนี้ท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเข้าถึงธรรมะแล้วระดับสูงแล้วท่านตายแบบไม่ไม่ผิดหวังไม่ปลอดภยัยเออไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เสียหายการตายของท่านเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สุดจริงๆเนี่ย ตอนนั้นท่านเป็นบุตรชนแต่สำคัญตนวับรุตอนนั้นพระอนนท์ก็เลยกระซิบบอกจะเป็นพระอนนท์หรือใครกระซิบบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าคนจะตายแล้วถ้าหากจะรู้ว่าตนเองหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเนี่ยมันจะมีนิมิตถ้าใครที่ยังมีภพชาติอยู่เวลาใกล้ตายปุบ๊บมันจะมีนิมิตมาปรากฏ ใช่ไหมล่ะท่านก็จับประเด็นตรงนั้นท่านก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นน่ยพอหลังจากพระท่านกลับไปแล้วท่านก็เอามิตรโกนมาแล้วก็เชือดคอตัวเองอ่ะพอเชือดปุ๊บเข้าไปเนี่ยทุกขเวทนาเกิดปุ๊บขึ้นมาพอท่านใกล้จะตายน่ยนิมิตมันปรากฏเห็นไหมคนเวลาใกล้จะตายมันจะมีนิมิตมันจะมีสองนิมิตหนึ่งทุกขตินิมิตนิมิตที่จะทําให้เราไปทางไม่ดีเช่นเปลวไฟบ้างสะบ้างบึงน้ําบ้างภูเขาบ้างป่าไม้บ้าง หรือว่าอันนี้ไปเกี่ยวกับโทกติโทกตินิมิตนะหรือสัตว์เดราฉานบางอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสุกตินิมิตก็เป็นวิมานบ้างเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ว่าไปนิมิตมันจะมีสองส่วนทีนี้นิมิไมตไม่ดีปรากฏกับท่านวุบเอานิมิตปรากฏกับท่านปุ๊บท่านตกใจเลยอุ้ยท่านยังไม่ได้ทําพชาติให้สิ้นไปท่านก็เลยกําหนดพิจารณาศีลพิจารณาคุณธรรมที่ท่านได้มาทั้งหมดปาโมดปีติก็เกิด แล้วท่านก็ยังสมาธิเป็นฐานแล้วก็เดินวิปัสสนาญาณแล้วก็ได้บรรลุทันรูปนี้ได้บรรลุทันนะครับคือยังวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นกิเลสให้หมดสิ้นไปปุ๊บแล้วท่านก็ทํากิเลสและชีวิตให้ดับไปพร้อมกันก็คชีวิตต่าสมาสีสีเนี่ยท่านก็ปรินิพานไปแล้วนี่กลุ่มหนึ่งแต่อย่างเราในย่าเสียงยากสติสมัมปชัญญะอ่อนแอแบบนี้โอกาสพลาดสูง เพราะว่าหรือยิ่งตายด้วยความเครียดตายด้วยความอับอาย ต, ตายด้วยความกัดกลุ้มมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้จะหาทางออกชีวิตยังไงฆ่าตัวตายดีกว่านี้ตกนรกสูงร้อยละร้อยโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ไปอบายทุกขติวิธิบัตนรกแล้วมันซวยดีอย่างเงี้ยเป็นนักบวชทั้งทีบวชมาแทบตายเข้าใจอย่าถ้าจะฆ่าตัวตายก็ตายแบบพวกกลุ่มบุกคนเหล่านี้ตายแบบเบื่อนหน่ายร่างกายแล้วเกินแล้วตายแล้วมันยัง อริยมรรคอริยผลให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ยังดีหน่อยใช่ไหมครับใครเคยคิดอยากฆ่าตัวตายไหมครับเอาบางคนเคยจริงๆนะอย่าลืมนะเอเนี่ยเรื่องเนี้ยมันมีจริงนะครับผมยังเคยเลยนะครับผมคิดว่าผมปลอดภัยแล้วไงมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะผมอยากตายมันเลยตอนนั้นมันความรู้ในธรรมะมันต่ําจัดก็ อ, อยากจะตายเลยว่า เฮ้ย hey, ถ้าเราตายตอนนี้สบายแล้วปลอดภัยแล้วเว้ยเงี้ยนะคิดเงี้ยเกยังคิดเลยมันน่าเบื่อวันวันว น, นึงก็ต้องมาเนี่ยแบกรับขันธภาละต้องมากินมาดื่มมาเยอะวันวันไม่เห็นมีอะไรเลยชีวิตเนี่ยกินถ่ายกินถ่ายกันอยู่เงี้ยแล้วก็รอวันตายกันไปแค่นี้เองชีวิตไม่เห็นมีอะไรเลยว่างั้นเถอะเกิดมาก็มีแค่นี้แหละไหมก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลยวคูเข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวริ้มถ่ายอุจจาะปัสสาวะ ยืนบ้างเดินบ้างนั่ ง, บ, ง, งบ้างนอนบ้างตื่นหลับพูดนิ่งยูอย่างเงี้ยแล้วก็มาทํากรรมกันอยู่เงี้ยกายกรรมวจีกรรมวินกรรมก็ทํากระแสะชีวิตมันก็ดําเนิน จ, จําเจซ้ำซากหน้าเบือ่อเว้ยไม่เห็นมีอะไรเลยว่างั้นนะเฮ้ยเราเราก็บวชมาขนาดนี้แล้วอะไรอยากกันนั้นเลยให้มันแต่ตายไปดีกว่าว่างั้นจะตายเสร็จแเราจะได้พ้นทุกข์ยคิดเงี้ยพลาดเลยนะวิธีคิดแบบเนี้ยโอกาสตกนรกสูงเพราะปัญญาไม่แก่กล้าเป็นคนในยุค ก, ก่อน อันนี้พอดีตอบปัญหาพระท่านถามว่าพระเวียดนามว่างั้งนนะเผาตัวเองตายเนี่ยเคยได้ดูไหมบอกไม่ไม่ได้ดูก็คเคยได้ยินข่าวครับพระที่ฆ่าตัวตายเ น, นี่ยมีมีมี ม, มีมีเยอะบางองค์เนี่ยเผาตัวเองตายถวายเป็นพุทธบูชาอย่าไปดูถูกขั้นนะแบบเนี้ใจที่คิดจะบูชาแบบนี้นะครับมีอยู่รูปหนึ่งก็คือว่าท่านศรัทธาในพพุทธเจ้ามากไปนั่งที่ต้นโพเนี่ย วนวนท่านก็นึกในใจว่าเอ๊ะอะไรเนอะจะมีค่าจะบูชาพระพุทธเจ้าอยากก็นั้นเลยเอาชีวิตนี่แหละท่านก็เลยเอาน้ํามันมาเอาน้ํามันมาเทเทราดตัวเองเสร็จเสร็จปุ๊บก็จุดไฟเอาและเราจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวพุทเจ้าก็จุดไฟเผาเลยพระท่านเห็นไงเห็นตอ น, นท่านนั่งสมาธิอยู่งั่นแหละนั่งสมาธิอยู่ในไฟก็ลุกปุ๊บปุ๊บ๊รีบไปเอากาสอบมาเข้าไป ดับไฟไม่ทันแล้วตายครับตายนี่อย่างนี้ก็มีนี่นี่นี่นี่นนรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งนั้นเป็นพระพม่าอสองคนพี่น้องตอนนั้นไปไหว้พระพุทธเจ้างามมากเป็นพระรูปที่ทํำด้วยไม้อพระน้องชายวนวนว น, วนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยบอกว่าถามหลวงพี่โอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยิ่งใหญ่มาก เราไม่รู้จะเอาอะไรบูชาพระพุทธเจ้าดีว่างั้นเถอะเรามาเอาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าดีไหมพระพี่ชายก็บอกว่าผมไม่อาจจะทําอย่างนั้นได้หรอกผมอยากจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการสอนด้ยการเขียนตำรับตำราผมยังไม่อยากทําลายชีวิตอย่างนั้นฝ่ายพระน้องชายก็บอกว่างั้นผม ทำรูองเดียวนะครับท่านก็เดินเดินเดินไปเบีเสร็จท่านก็เอาผ้าชุบน้ำมันนะครับชุบน้ำมันก็พันพันตามตัวเบีเสร็จท่านก็นั่งขัดสมาธิแล้วก็จุดไฟเผาถวายเป็นพุทธบูชาพระพิชายก็ไม่ห้ามไม่ห้ามอันนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นนะครับในยุคเรานี่แหละท่านก็มรณาภาพนั่นแหละต่อหน้าพระพุทธเจ้านั่นแหละ พระพิพชัยก็ได้นั่งคิดได้ทํำยังไงเราก็อยากจะถวายพุทธบูชาบ้างท่านก็ไปเอามีดโกนสมัยก่อนเป็นมีดโกนแบบประเภทที่ไม่ครับเป็นมีดโกนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นด้ามนะครับพอมาไปเสร็จปุ๊บท่านก็เลยดึงนิ้วก้อยออกมานิ้วหนึง่งท่านจะทําตัวอื่นก็เอาไว้ท่านต้องการตั้งเจตนาอยากศึกษาคําสอนและจะเขียนตําราสอนหนังสือเนี่ยถวายพุทธบูชาท่านก็เลยใช้เนี่ยมีดตัดข้ อ, อนิ้วถวายพุทธบูชาเลย ถวายวายวะเองั้นเธอ ต, ตัดตัดตัดยังไงก็ไม่ขาดเลือดก็กระโชดเนี่ยมีเด็กคนนึงมาบอกช่วยเอาขวานมาช่วยทบให้หน่อยดิว่างั้นเธอทบ ท, ที่ที่ที่ที่สันมีดเนี่ยกระทบก็ขาดได้นิ้วนิ้วมานิ้วหนึ่งก็เลยยกถวายเป็นพุทธบูชานอกนั้นก็ผ้าพันก็ไว้พันนิ้วก็ไว้เออก็มีแล้วต่อมาภาพรูปนี้ท่านก็มาเผยแผ่พุทธศาสนาในในไทยนี่แหละ แล้วก็มาเขียนตำราคัมภียรวิธรรมเนี่ยที่พระเรียนวิธรรมกันเนี่ยทุกวันเนี่ยเนี่ยองค์นี้แหละเป็นคนตัดนิ้วมือครับตัดข้อนิ้วมือเนี่ยถวายพุทธบูชาท่านปราถนาเป็นพทธเจ้าปราถนาเป็นพทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็มีอยู่นะครับกรณีอย่างเงี้ยเออท่าอันนี้มีแนะนําให้ทําหรือไม่ทํำนะแต่แนะนําให้รู้คนที่มีใจแบบเนี้มีจริงจริงครับมีใจถวายเป็นพุทธบูชาแบบเนี้มีจริงๆที่ปริญนิพนธ์ของพระเจ้านั้นก็มี เป็นผ้าไทยเรานี่แหละอย่าไปบือ่อชื่อเลยไปที่ปฏินิพพานของพระเจ้าพอไปเบื่อเสร็จเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปถวายเป็นพุทธบูชาก็เลยใช้น้ํามันชุบผ้าเนี่ยใส่บนหัวจุดไฟเผาบูชานั่งนั้นแสดงโอ้โหเลอะหมดเนี่ยนะเนี่ยเออคนที่กล้ายอย่างนั้นก็มีจริงๆนะครับคือมันไม่จุใจอะ่ะไม่รู้จะเอาอะไรบูชาใช่ไหมครับเอาเอาซะเลยเนี่ยทำอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็อันนั้นไม่ได้วิจารณ์ว่าผิดถูกยังไง เพราะว่าเรื่องจิตที่คิดจะบูชาเนี่ยเราไปดูหมิ่นกันไม่ได้นะครับจิตที่คิดจะบูชาเนี่ยเราทาไม่ได้เราอาจจะจิตใจอย่างนี้เราอาจจะตบปตําำหนิก็จะเป็นบาปแกเราไปนั้นถ้าใครที่คิดจะบูชาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยอันนั้นก็ไปเลือกเฟ้นกันเองพิจารณาตามเหตุและผลเนี่ยนะครับนั้นการฆ่าตัวตายเนี่ยในพระศาสนาจริงๆพระพุทธเจ้าห้ามไว้ตรัสเป็นอาบัต ก่อนหน้านั้นไม่ได้มีการบัญญัติห้ามเขาไว้นั้นมาระยะหลังคนที่จะไปฆ่าตัวตายแบบประท้งประท้วงอไ น, นี่ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ได้กุศลเอาไหว้าพากันวีสุทากรุรนายานังโพธังสัมุทธปูชิตังธรรมสัทธัมมาสัมบูตัง นาตวาสังคังนิรังคะนงังข้าพเจ้าข อ, อนมัสการพระพุทธเจ้าผู้มีภาพปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณพระธรรมอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงบูชาแล้วพระสงฆ์ผู้เกิดดีแล้วแต่พระสัตธรรมผู้ทรงมีกิเลสเพียงดำเนินปราศจากไปแล้วเวสุท ธ, ธาการุณาญานัง เวเนยาหิตาเทสนังสะดัมมาสังคังสัมบุธธังวันดิตตวาวันธนารหังข้าพเจ้าขอถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณผู้มีพระธรรมเทศนาอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เวเนยสัตว์ ผู้สมควรแก่การถวายบังคมพร้อมโด้พระธรรมพร้อมด้พระอริยะสงฆ์เจ้าเหล่านั้นทั้งสิ้นขอความสวัสดียังมีแด่พวกเราทั้งหลายนะครับนในวันนี้ได้เป็นวันสุดท้ายแล้วในการที่เราจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในช่วงที่ผมมารับผิดชอบในเรื่องที่จะบรรยายในเรื่องของสัมภารวิบาก กว่าจะเป็นพระเจ้าเนื้อหาสาระต่างๆที่บรรยายไปอาจจะยังไม่ควบคุมได้เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาถ้าจะศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากก็เลยพยายามจับเอาประเด็นที่สำคัญเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายในการที่จะเป็นพระธรมธออธรมทูตธรรมทูตชุดแรกของพุทธศาสนาคือใครรู้ไหมครับ ตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรุนุตตาสัมมาสัมพธิยาณแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จดำเนินหลังจากเฉิดสวยมตดสุข49วันใชไมเจ็ดสั ป, ปดาห์พระองค์ก็เสด็จออกจากบริเวณโพธิมณฑลด้วยพระบาทเปล่าเดินจาริกจากพุทธคยาน่แหละบริเวณพุทธมณฑลนั่ น, นแหละไปกุศไปไปสิปัฒนะบรคทยวันระยะทางก็18โยชน ปัจจุบันก็ประมาณ150กว่ากิโลเนี่ยจะ200กว่ากิโลทรงจาริกด้วยพระบาทเปล่าเพื่อจะไปโปรดปัญญวัคคีทั้ง5้าที่ป0ายสปัตนัมรัตยาวันแฝงเมืองวรนานศีนั้นเป็นพุทธกิจเป็นภารกิจของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะต้องทำแบบนี้แต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมานะั้นเนี่ยจะไม่ดาเนินไปทางบกจะไปทางอากาศ แต่พระเจ้าของเราพระองค์เนี้ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งยวดท่านถ้าท่านเหาะไปเนี้ยบุคคลที่จะเสียประโยชน์ก็คืออุปการชีวกด้วยการที่มีพระมหากรุณาธิคุณที่ต้องการปโปรดอุปการชีวกเนี้ยที่เป็นนักพจน์ที่เคร่งขรึดเนี้ยแต่เป็นนักพจน์ภายนอกพระาศาสนาท่านผู้นี้ถ้าไม่ได้เห็นพระบรมศาสดาแล้วจะไม่ได้อัธยาศัยในการเข้ามาบวชในพระาศาสนาและจะไม่ได้บรรลุธรรม ได้พระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเพื่อจะให้อุปการชีวกได้เห็นพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าได้เห็นพระรูปที่ประดับด้วยมหาพุทธส ร, ร, ระขนาดสามสิบสองมังกรและอนุปญชนะ80พระพุทธเจ้ามีพระเนตรมีพระนาสิกมีพระการมีพระลิมพระโอ์มีรำพระศอมีพระนาลาดมีพระขนงเนี่ยนะ คือคือมีพระวรกายที่มีความงดงามที่ถูกกรรมคือบา ร, รมี30ทัศเนี่ยตกแต่งมาอย่างดีทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตที่พระองค์บำเพ็ญบา ร, รมีมา30ทัศเนี่ยกำลังของกุศลกรรมเหล่านั้นก็ตกแต่งสรีระของพพุทธเจ้าให้มีความงดงาม ฉะนั้นสลีระทุกส่วนของวุฒิาจ้าเนี่ยถูกกรรมที่ประณีตละเอียดวิจิตบรรจงนะครับในการตกแต่งให้มีพระเนตรแบบนี้ให้มีพักกันแบบนี้ให้มีริมพระโอษแบบนี้ให้มีพระนาศิกอย่างนี้ให้มีพระนาลาดอย่างนี้มีพระเสียนอย่างนี้มีรำพระโสอย่างนี้มีพระวรกายอย่างนี้มีพระพาหาเป็นต้นมีพระชงเป็นต้นเหล่านี้ฉันั้น์พรกายที่ทรงได้มานั้นได้มาจากกําลังของกุศลกรรมที่ละเอียดอ่อนและประณีต ไม่ใช่ได้มาโดยฟุกๆหรือได้มาโดยชนิดที่ไม่ได้สร้างเหตุอย่างยกตัวอย่างเช่นพระเนตรเนี่ยผู้ได้เจ้านั้นจะมีพระเนตรที่ดำแล้วก็งดงามมากพระเนตรนั้นจะใสประดุดดังลูกตาของลูกโคน้อย ล, ลูกโคล่อนจะเป็นแบบนั้นที่มีพระเนตรอย่างนี้มาจากอะไรรู้ไหมมาจากในอดีตน่ยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมานั้นน่ยพระองค์บำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีมาเนี่ย บำเพ็ญกายสุจริญวิจิรสุดเจริญมโนโสุดเจริญที่ละเอียดอ่อนเนีปราณีตเวลาพระพุทธเจ้าะจะมองเนี่ยคนบางคนในโลกเนี้ยบางคนจะใช้ตามองคนอื่นก็มองด้วยความทะลึงตามองด้วยความโกรธเป็นต้นบ้างบางคนก็ใช้มองคนด้วยหางตาบ้างเหลือกตามองไม่ตรงบ้างมองด้วยความโลภ บ, บ้างมองด้วยความโกรธบ้างมองด้วยความหลงบ้างโดดมองด้วยความกำหนัดขัดเครืองเป็นตัวผลักดันทําให้การมองเกิดขึ้นใช่ไหม คนบางคนเกิดมาในโลกใบนี้จึงมีตาไม่เหมือนกันบางคนก็มีตาไม่สามัคคีกันใช่ไหมครับตาถลนออกมาบ้างตาประเภทที่ไม่ตรงบ้างเป็นตาเอียงบ้างตาเล่บ้างอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้ที่มาแบบนี้เพราะใช้ตาไปทํากรรมในการมองและคิดประทุษร้ายบุคคลอื่น ตาก็เกิดเป็นตาที่ไม่งดงามแต่พระบรมศาสตาที่บำเพ็ญบารมีมาในตอนที่เป็นพระโพธิสตัตว์ในทุกอัตภาพที่เกิดนั้นเน่ยเวลาจะมองอะไรก็มองด้วยปิยจักรสุขมองได้เมตตาใช้สายตามองเนี่ยแต่มโนคือใจนั้นก็คิดมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทรอแบบจับจีบจับใจในการที่จะมองฉะนั้นพระเจ้าจึงมีพระเนตรเนี่ยที่มีความงดงามมากและพระเนตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลามองไปนาที บุคคลใดเนี่ยสายพระเนตรที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยเมตาน้ำพระเมตตาเป็นต้นอะรเนี่ยเมตตาธรรมก็จะแผ่ไปในบุคคลนั้นอายกตัวอย่างตอนที่ช้างนาราคิลีเนี่ยตอนที่พระเทวทัตให้นายควานช้างเอาเหล้าใส่หม้อตั้ง6กสกว่าหม้อบางร้อยหม้อบางเนี่ยกอกช้างให้เมาใช่ไหมครับและก็ให้วิ่งไปเพื่อจะไปทําลายพระทศรรยานคือพระเจ้าเนี่ย ช้างนั้นเป็นช้างตกมันเป็นช้างศึกด้วยไม่มีใครจะขวางได้ด้วยแล้วก็เมาด้วยเนี่ยวิ่งเข้าไปเนี่ยตอนนั้นน่ะปกติเวลาพระบรมศา ส, ศาสดาสเสด็จบินธบาติเนี่ยพระทเจ้าก็จะแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสารลจักร ว, วาลใช่ไหมแต่ในครั้งนั้นพระเจ้าก็ละจากการแผ่เมตตาให้กับปู่สัตว์ทั้งหลายก็แผ่เมตตาแล้วก็พุ่งตรงไปที่ช้างเนี่ยช้างเชือกนี้พอวิ่งมาด้วยกระทบ จิตของช้างเนี่ยกระทบกับพลังของเมตตาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าวิ่งมาต้องหยุดชะ ง, งักเด็มที่แล้วงาก็ทิ่มลงที่แผ่นดินสุดลงแล้วด้วยพลังของเมตตาเนี่ยแพ่เข้าไปที่ช้างเนี่ยความเมาความแอลกอฮอล์ที่อยู่ในในกระแสของช้างทั้งหมดหรือความตกมันเกิดจากราคะโทสะที่เกิดขึ้นน่ย เจอพลังของเมตตาธรรมที่พระิเจ้าแผ่เข้าไปน่ะละลายหายเกลี้ยงเลยช้างนั้นก็สุดตัวลงก็เอางาทิ่มลงที่ดินน้ำตาไหลพระบรมศาสดาก็ใช้พระหัตถ์ลูปกระพองช้างแล้วก็บอกกุชนชรเอ๋ยใช่ไหมเธออย่าทำร้ายพระตถาคตเออเลยการเบียดเบียนพระตถาคตเนี่ยจะเป็นไปเพื่ออบายทุกติวิรุบานรกเป็นอันมาก ช้างเชือกนั้นน่ะได้รับกลิ่นอของเมตตาบารมีเมตตาธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นน่ะตั้งสมาทานจิตณขนาดนั้นเลยว่านับตั้งแต่วินาทีนั้นน่ะช้างเชือกนั้นเนี่ยก็สมาทานศีลห้าจนตลอดอัตภาพลองคิดดูสินี่ขนาดช้างที่มามันเนี่ยเจอพลังเมตตาเกิดเกิดยั ง, ย, งยังขนาดนั้นนั้นแววสายพระเนตรของพระเจ้าวเวลามองมาที่ใครเนี่ยที่จะไม่ ที่จะไม่สลดหรือไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวเป็นไม่มีเนี่ยเพราะกําลังกุศลนี่ทํามาอย่างพวกเราลองมองสิครับไม่มีผลอะไรเลยใช่ไหมแค่หมาจะกัดลองไปแผลเมตายหมาวันทีมันกัดเอาเลยเนะ น, นี่ยบางทีเนี่ยด้วยกำลังที่พลังพลังกุศลของเรามันน้อยม อ, อ, อยงออาไหมล่ะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทั้งหมดเนี่ยรายละเอียดพวกนี้เราไม่ได้ไปเรียนไง ที่จริงเนี่ยผมนั่งคิดว่าถ้าสมมุติเอาในลักษณะสูตรมาวิจัยแต่ละลักษณะว่าทํากรรมอะไรมาจึงได้พระเนตรแบบนี้เมื่อได้พระเนตรอย่างนี้แล้วจะได้รับผลอย่างไรทํากรรมอย่างไรจรึงได้ได hal, รไดพระนาสิกอย่างนี้ได้พระนาสิกอย่างนี้แล้วจะมีผลอย่างไรในปัจจุบันทํากรรมอย่างไรจึงได้ริมพระโอษอย่างนี้ได้ริมพระโอษอย่างนี้แล้วจะได้เหตุจะได้ผลอะไรในปัจจุบัน ทำกรรมอะไรมาจึงได้พระทันตะได้ฟันแบบนี้การได้ฟันอย่างนี้เยพ่อทากรรมอะไรมาแล้วจะได้รับผลอย่างไรรายละเอียดตรงนี้เรื่องเหตุเรื่องผลตัวเนี้ยจริงๆมันน่าศึกษาในฐานะเป็นพระเวลาเรามองพระรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจเหตุเข้าใจผลทันทีเข้าใจอย่างเป็นเรื่องหลักการในการที่ต้องศึกษาด้วยซ้าไปแต่เวลามันจํากัดมากถ้าเราจะมานั่งวิจัยกันต่างๆตรงเนี้ยก็เอาเป็นว่าอยากรู้อะไรก็ถามถามเอาบ้างแค่นั้นเองเนี่ยถามเอาบ้าแต่ว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็คือว่า ึกให้รู้จักพระพุทธเจ้าบ้างใ น, นแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งแต่พระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่มหัศจรรย์มากเป็นบุรุษที่มหัศจรรย์มากสร้างสมบารมีมาอย่างมากมายซึ่งเราท่านทั้งหลายต้องไปค้นคว้าอย่าหยุดอยู่เพียงแค่นี้อย่าหยุดอยู่เพียงแค่ฟังแค่นี้ให้ไปค้นคว้ากันให้มากและให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์ของเราท่านทั้งหลายจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าเนะท่งตรัสแก่ภาษาริบุตรเทระบอกว่า บอกว่าในขณะที่เรานอบน้อมพระพุทธเจ้านี่นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นคําว่านะโมตัสสะเนี่ยการนอบน้อมพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาเนี่ยในขณะที่เกิดศรัทธาปุ๊บในขณะนั้นชื่อว่าเป็นการเจริญสัตินรีนะเจริญวิริยนซีสตินรียสมาธินรีและกัปัญญินทรียด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อกําจัดอกุศลธรรมนะเวลาศรัทธาเกิดขึ้นเขากําจัดอะไรก็จัดอสัตถิยะคือความไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรายให้หมด เวลาความเพียรเกิดขึ้นก็ขจัดโกศชาอากุศลคือความเกียดค้าให้หมดสิ้นไปจากกระแสของความคิดเวลาสติเกิดขึ้นก็ขจัดประมาทะคือความประมาทเวลาสมาธิเกิดขึ้นกําจัดอุทธัจจะคือความฟุง้งซ่านเห็นไหมเวลาปัญญาเกิดขึ้นก็กําจัดความหลงความไม่รู้น่ะให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรอริยะสาวกผู้ใดที่มีศรัทธา เชื่อมั่นเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระตถาคตอริยาสาวกนั้นก็จะไม่เครือบแคลงสงสัยในพรัตถาคตและในศาสนาของพรัตถาคตจกถึงที่สุดแห่งทุกได้อย่างแน่นอนเห็นไหมในขณะที่เกิดความเชื่อมั่นเกิดมาปุ๊บมันจะไปทําลายอสัตธยะคือความไม่มีศรัทธาเพราะศรัทธาของเราเนี่ยมันจะคอนแคลนอยู่ไม่มั่นคงเพราะเป็นศรัทธาของปุถุชนเป็นศรัทธาที่ยังเป็นโลกียศรัทธาอยู่ ฉะนั้นสิ่งที่เราควรเติมอาหารบ่อยๆก็คือเติมศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจตลอดเวลาวิธีการเติมทํำยังไงก็คิดถึงคุณของพระเจ้าบ้างคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของศีลคุณของสมาธิคุณของปัญญางี้เป็นต้นสารีบรเมื่อศรัทธาของอริยาสาวกนั้นเป็นสัตทินรียเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นเป็นใหญ่สัตทินรียข้าไปเป็นใหญ่เมื่อเป็นใหญ่เป็นเจ้าการแล้ว สัตพินีนั้นก็จะเข้าถึงความเป็นศรัทธาพระมีกำลังมีกำลังมีความไม่หวั่นไหวสามารถกำจัดอสัตธียะคือความไม่มีศรัทธาเป็นต้นได้และเมื่อกำจัดอสัทถียะความไม่มีศรัทธาก็พึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้ปาราบความเพียรในการที่ละอกุศลธรรมลามกเมื่อความเพียรของอริยาสาวกนั้นเป็นวิริยินีเป็นวิริยภาระ เป็นมีกําลังอย่างแกล้า้ากําจัดโกศัตช า, ากุศลได้แล้วอริยาสาวกนั้นก็พึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้ประกอบด้วยสติลึกถึงกิจที่ทําและคําที่พูดที่นานได้อาจจะมีสติในการระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณเป็นต้นได้เมื่อสตินั้นเข้าถึงความเป็นสตินีคือเป็นใหญ่เป็นสติพะละก็คือมีกําลังในการกําจัดประมาทคือความประมาทแล้วพึงหวังได้ว่าจาก ทำให้ได้ความสงบแห่งจิตจักได้สมาธิได้เอกขกตาแห่งจิตเมื่อสมาธิของอริยาสาวกเป็นสมาถินีเป็นสมาธิพระขะจัดความฟุ้งซ่านลำคาญใจได้แล้วอริยาสาวกนั้นพึงหวังได้ว่าจักรู้ชัดทั้งเบื้องต้นและที่สุดของสังสารวัฏอริยาสาวกนั้นจกักถึงความดับกิเลสสำรอกโดยไม่มีเหลือ แห่งกองมืดคืออวิชชาและตันหาอุปาทานเป็นต้นด้วยปัญญาอันชอบสาหรีบุตรเมื่อปัญญาของอริยาสาวกเป็นปัญญิีสีเป็นปัญญาพละมีกำลังอย่างแข็งแรงและมุ่งมั่นกำจัดอวิชชาคือความมืดบอดได้แล้วอริยาสาวกนั้นจักสลาคืนอุปธิทั้งปวงเข้าใจคาว่าอุปธิมกิเลสน่เาเรียกกิเลสโุภธิอุปธิคือกิเลสราคาโทสาโมหะก็เป็นอุปธิ แล้วก็ขันรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นขันทูปะที่นะอุปธิทคือขันห้าด้วยบางทีกรรมก็เป็นอุปธิได้เช่นกรรมที่เป็นปุญญาพิสังขารนี่ยปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขาร น, นา่ยกรรมที่นําสู่วตฏกกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตก็นําสู่อบายทุกขติวิธิบัตินรกกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสุจริตก็นําสู่สุขติโลกสวรรค์ ถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของอรู ป, ปรสมาบัติทั้งหลายเป็นอนเนจาระสังขานก็นําสู่อรูปภปพใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็จะดว่าเป็นอุปธิเหมือนกันนําเกิดทําให้กระแสะชีวิตยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่กรณีอย่างนี้ถ้าสละคืนอุปธิก็สละคืนอุปธิคือกิเลสได้ด้วยสละคืนอุปธิคือขันด้วยสละคืนอุปธิคือกรรมที่นําสู่วัฏฏะเป็นต้นด้วยอย่างนี้เป็นต้น ถึงความสิ้นตัณหาสิ้นกำหนัดถึงความดับคือพันิพานได้ในที่สุดนี้คือศรัทธาที่ประกอบไปด้วยอินทรี่ห้านี่เข้าใจนะเห็นไหมจากการที่เรามีศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยตัวศรัทธาเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนทําให้เราได้ความเพียรความเพียรก็เป็นปัจจัยให้ได้สติสติก็เป็นปัจจัยให้ได้สมาธิสมาธิก็เป็นปจัจจัยเกิดปัญญาแต่ไม่ใช่ว่านะครับไม่ใช่ว่าพอสมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาเกิดเองนะ เ, ออเราไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาไม่ต้องฟังอะไรแล้วเดี๋ยวไปนั่งสมาธิพอสมาธิลวมรอรวมเป็นหนึ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวปัญญากเกิดเองเราคิดแบบนั้นไหมไม่ใช่เพราะว่าปัญญาจะมาได้จากสุตตะจากข้อมูลแต่ที่สุตตาที่เราฟังมาวิจัยมาแยกแยะมาเปร็จเสร็จเนี่ยมันได้ในระดับพื้นฐานเบื้องต้นถ้าต้องการอยากจะได้ข้อมูลปัญญาที่ลึกซึ้งกว่านั้นจากการที่ฟังมาดีวิจัยมาดีนั่นแหละ ก็มาฝึกศีลสมาธิให้เกิดขึ้นพอมีสมาธิเป็นฐานแล้วเนี่ยตัวปัญญาก็จะละเอียดอ่อนเอาเรื่องที่วิจัยเรื่องที่ฟังนํามาวิจัยแยกแยะ ก, ก็จะทะลุทะลวงได้มากขึ้นนี้เป็นไปลักษณะแบบนี้เนี่ยนี้เป็นต้นฉะนั้นมองลักษณะอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบํบาเพ็ญบารมีสามระดับใช่ไหมครับทั้งบรารมีสิบอุป ป, รปรารมีสิบและประมาธบรารมีสิบ เขาเรียกว่าพระพุทธบา ร, รมีตรีย่างก็ได้จัดเป็นพระบา ร, รมีอย่างธรรมดาอย่างหนึ่งปานกลางอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างสูงสุดนั้นอย่างหนึ่งก็เรียกบา ร, รมี30สทัศน์ไม่ว่าจะเป็นทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มา่าปัญญาวิรยิยะคันติสาจาัจจะทิฏฐานเมตตาและเบขะบารมีทานอุปบารมีทานา แล้วก็ศีละอุปปารมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาอุปปารมีแล้วก็ทานนปารมัธาบารมีศีละปารมัธาบารมีเนคขมาปรมัธาบารมีจนถึงอุเบกขาปรมัธาบารมีเราเริ่มแยกความต่างกันระหว่างบารมีอุปปารมีปารมัธาบารมีได้ไหมครับอ้าวเอาเรื่องทานถ้าทานบารมีเนี่ยนับยังไงการสละวัตถุทานทั้งหมดที่ภายนอกภายนอกเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นสระทรัพย์สระบ้านเรือนสระที่ดินสระเสื้อผ้าเครื่องหนังผมเครื่องประดับทั้งหลายที่อยู่นอกตัวทั้งหมดการสละได้อย่างไม่หวงแหนเป็นต้นอันนี้เป็นธานบา ร, รมีถ้าเกี่ยวกับอวัยวะทั้งหมดไม่ว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยตาหูจมูกเล้นกายอวัยวะส่วนใดแมด็แต่เลือดเอยกระดูกเอยหูเอ ย, เอยจมูกเป็นต้นเหล่านี้ย การสละชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งในไว้วะร่างกายนั้นเพื่อให้เป็นทานเป็นต้นอันนี้เป็นทานะอุป ป, รปารมีถ้าสละชีวิตแม้ชีวิตก็ยอมสละโดยไม่เยื่อใยไม่อะไรอววรเลยเนี่ยอันนี้เป็นทานะประมัตถบารมีเข้าใจยังทีนี้พอพูดถึงเรื่องทานบารมีทานะอุป ป, ปารมีทานะประมัตถบารมีเราแยกได้ใช่ไหมครับ แล้วถ้บอกสีแลบารมีสีลอุปบา ร, รมีสีแลปรมาธบารมีเราแยกได้ไหมแยกยังไงอ่ะแยกยังไงเราใช้แยกย ไ, ยกยไยยกหนดีอเออเวลาเรารักษาศีลเนี่ยเรามีที่สุดไหมรักษาศีลเนี่ยเรามีทรัพเป็นที่สุดไหม เพื่อทซับละทุศีลได้เคิดไหมเรือดญาติหรือด อ, อวัยวะหรือชีวิตคือบางทีการที่จะรักษาศีลเนี่ยบางทีถ้ามองว่าบางคนสามารถรักษาศีลตัวเองได้คนจะเอารัยบอะไรต่างๆมาให้ขนาดไหนกไ็ไม่ยอมล่วงละเมิดเข้าใจไหมไม่ยอมเลยเกี่ยวกับญาติจะให้โกหกเพื่อญาติเป็นเต้นเหล่านี้ยไม่ยอมเอาศีลเพราะศีลสําคัญกว่าญาต ศีล ส, สาคัญกว่าอวัยวะศีลสําคัญกว่าญาติศีลสําคัญกว่าทรัพย์อันนี้เป็นศีลเบื้องต้นนะถ้าบางคนว่ายอมสละอวัยวะว่าไม่ยอมให้เสียศีลอันนี้เป็นระดับอุปบารมีนะหรือยอมสละชีวิตเลยเนะี่ยศีลสําคัญกว่าชีวิตอย่างนี้เป็นศีลปรตต ม, มัทธบารมีเวลารักษาศีลเนี่ยเรามีที่สุดไหมเอาตัวเราเองเนี่ยใครมีทรัพย์เป็นที่สุดใครกล้าทุ่ศีลได้ถ้าได้ทรัพย์มีไหมครับ ถ้ามีคนให้เงินเราแสนหนึ่งเราก้าผิดศีลไหมเขาจ้างให้เราผิดศีลเนี่ยกล้าไหมครับแสนหนึ่งอะล้านนึ่งอะจริงเลยโอ้โหน่าชื่นใจยังถ้าสิบล้านละกล้าไหมโอโ้ชักเริ่มหน้าช้าขึ้นแล้วถ้าเป็นร้อยล้านนะครับร้อยล้านหน้าทดสอบจยังเอ <c oughs> อไม่ธรรมดานะเนี่ย เอาญาติญาติถ้าญาติจะต้องติดคุกแต่ถ้าเราไปโกหกแล้วเขาจะไม่ติดยอมเสียศีลไหมครับยอมไม่ยอมอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลมีที่สุดนี่ไม่เป็นบารมีเลยเนี่ยไม่เป็นปจัจจัยความพ้นทุกข์ด้วยนะศีลประเภทเนี้ยยอมทุ่ศีลเพราะไปเห็นว่าญาติสําคัญกว่าศีลเอาบางคนอวัยวะต้องสูญเสียอวัยวะ เ, เช่นบางคนเนี่ยหมอเขาบอกว่าคุณต้องกินอาหารนะครับตอนเย็นเนี่ยถ้างนั้นกระเพาะคุณทะละุบางคนกล้าที่จะรักษาศีลไม่กล้าไม่ไม่ยอมไม่เอาไม่ยอมไม่เสียดายอาวัยวะเคยเป็นไหมเป็นโรคกระเพาะเนี่ยเวลาไปหาหมอแล้วก็อ้างกันบอกว่าเอ้ยอ้างกันอย่างที่หมอมันอ้างให้เราฟังอ่ะไม่เป็นไรล้อป่วย กินได้กินข้าวตอนเย็นได้เป็นต้นเหล่าเนี้หมอเขาพูดมันมไปแท้จริงมันไม่มีหรอกไม่มีมันจะมีว่าถ้าเพียนั่นจริงๆเนี่ยทรงอนุญาตก็น้ําต้มเนื้อได้ใช่ไหมล่ะก็มีหลักการเนี่ยเหมือนในซุปไก่สกัดอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยได้มันเพียจริงๆมันโหยมากจริงๆอย่างเงี้ยนะเพื่อจะทําร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมาแต่ไม่ได้อนุญาตให้ไปกินข้าวกินอะไรอย่างที่เรากินกันนะ ก็หลาเรื่องเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราศึกษาวินัยไม่ดีเราก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ฉลาดในการที่จะรักษาตัวเองแล้วก็ยอมไม่ศีล น, นั้นวิบัติไปเนี่ยเสียดายอวัยวะเอาอวัยวะแต่ไม่เอาศีลอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็ศีลมีที่สุดเพราะอวัยวะสูงไปกว่า น, นั้นก็คือชีวิตใช่ไหมล่ะตอนที่พระโพธิสต์เป็นจำปยากาศนาคราชเนี่ยตอนเป็นพญานาคให้สังเกตดูนะวันพระ แปดค่ำสิบห้าค่ําท่านก็แปลงกายท่านก็ออกมาจากพบของพญานาค ก, ก็มาถืออุโบสถศีลเพราะท่านบอกว่าถ้าท่านไปรักษาศีลอุโบสถศีลในเมืองของพญานาคเนี่ยมันลำคาญกลุ่มนางนาคทั้งหลายเนี่ยไอนางนาคทั้งหลายมันมากวนไงก็ เ, เลยอยากกันนะั้นเลยพบมนุษย์นี่แหละดีที่สุดในการที่จะบําเพ็ญ อ, อุโบสถศีลท่านก็เลยขึ้นมาก็มาขดอยู่ในจอมปลวกทั้งเจดีย์เลยนะครับขดอยู่งั้นแหละสมาทานอุโบสถศีล ท่านสมาทานอุโบสถศีลเนี่ยไม่มีไม่มีทรัพย์เป็นที่สุดไม่มีญาติเป็นที่สุดไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดนะแล้วก็ไม่มีชีวิตเป็นที่คือท่านไม่มีที่สุดเหล่านี้ศีลเป็นใหญ่ศีลสําคัญกว่าทรัพศีลสําคัญกว่าอวัยวะศีลสําคัญกว่าญาติศีลสาคัญกว่าชีวิตเพราะศีลเท่านั้นที่จะทําให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญานศีลเท่านั้นที่จะทําให้ได้มาซึ่งปัจเจกพอิญานสาวกพอิญาณเป็นต้นศีลเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยให้ทําให้ได้ให้ถึงพันนิพพานใช่ไหมล่ะ ถ้าเรามองดูแล้วในที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มาจากศีล น, นะได้ความบริบูรณ์ของความอัตภาพก็คือศีลทั้งนั้นบริบูรณ์ในโภกกระซับกระศีลเกียรติยศชื่อเสียงกรศีลแม้จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติสักกะสมบัติเป็นต้นตลอดถึงสาวกบรารมีญาณปัจเจกอริยญาณและสัมมาสัมปวิญาณศีลเท่านั้นแหะครับศีลมันจึงสําคัญกว่าญาติเราได้ญาติที่บริบูรณ์ได้กระเพาะศีลเราได้ทรับที่สมบูรณ์ได้กระเพาะศีล เราได้วัยวะที่บริบูรณ์ได้กเพราะศีลเราได้ชีวิตที่ยืนยาวได้ดีได้กเพราะศีลฉั้นศีลมันจึงสําคัญกว่าทุกกรณีแต่คนมองไม่ออกมุมนี้ใช่ไหมก็เลยยอมทุศีลเพราะญาติบ้างทุศีลเพราะทรัพย์ บ, บ้างทุศีลเพราะอวัยวะบ้างทุศีลเพราะชีวิตบ้างเพราะมองไม่ขาดแต่พระบุตรสัตว์ ท, ท่านฉลาดท่านเห็นว่าศีลสําคัญที่สุดใช่ไหมศีลสําคัญที่สุดประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ประเรสริฐสําคัญเท่าศีลเพราะท่านคิดอย่างนี้ท่านก็มาสมาทาน วันนั้นก็ติมีนายพรานมาไอ้เจ้าเนี้ยมันไปเรียนวิชามาพอมาเบเสร็จปุ๊บมาเห็นพญานาคเห็นงูใหญ่ก็ยอยากทดลองวิชามาันใช่ไหมล่ะมันก็เลยไล่มนตเลยเดีเยวนี้มันก็ไล่มนท่องคาถามันเนะี่ยพอมันไล่มนไปป๊บปับปับสักพักนึงอน่ะไอ้มนนะ์อ่ะคาถาของไอ้เจ้าพราม์คนเนี้ยเหมือนกับลูกศรวิ่งไปเสียบที่หูของพญ า, านาคอ่ะ พยน่าก็ลืมตาขึ้นมาด้วยความปวดทรมานมากอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรทิ่มเข้าที่หูเนี่ยทรมานมากลืมตาขึ้นมาตอนนั้นจะทําความโกรธให้เกิดขึ้นถ้าความโกรธเกิดขึ้นศีลวิบัติไหมเพราะว่าความโกรธนี่มันทําลายตัดรากของศีลทําให้ศีลไม่เจริญงอกงามท่านก็ระงับทันทีแล้วท่านก็คิดว่าถ้าเราถึงตามองไอ้เจ้าคนนี้ด้วยความโกรธ ไฟจะพุ่งออกจากตาเราเนี่ยเผาเจะนี้ไหม้เป็นเป็นเท่าฐานจะประโยชน์อะไรกับการที่เราไปจะทำลายปไปทศร้ายคนอื่นด้วยความโกรธที่เว้นเหตุทําให้กุศลศีลที่เรารักษามาเป็นอย่างดีเนี่ยมันพังแล้วมันแตกแล้วมันทําลายอยากกันนั้นเลยเราจะไม่มองดูแล้วเราจะหลับตาท่านก็เลยหลับตาปุ๊บอดทนแล้วก็ขดเอาหัวซุกเข้าไปในขนดนั่นแหละไม่มองซะเลยเนี่ย เราทําได้ไหมทําได้ไม่ได้เนี่ยเวลาจะกรดขึ้นมากม็นึกอย่างนี้ทีนี้ไอ้เจ้าพราหมนั้นหยุดไหมไม่หยุดเดินเข้ามาใกล้ๆก็เอายาเคี้ยวเคี้ยวยาที่จะสามารถทําลายแล้วก็รู้ว่าก็ไปจับคอพญานาคกันมาบีบงูใหญ่เนี่ยบีบให้อ้าปากขึ้นแล้วก็บ้วนยาที่ตนเองเคี้ยวมาที่เรียนไปเนี่ยเคียเค้ยวเคี้ยวเขา บ้วนใส่ปากพญานาควันของพญานาก็หลุดหมดเลยนะเลือดกบปากเลยเดี๋ยนะี้ทนได้ไหมถ้าโทสะเกิดขึ้นทําลายอะไรทาลายศีลก็อดกลั้นไว้พิจารณาถึงศีลประเสริฐกว่าทรัพย์ประเสริฐ ก, กว่าญาติประเสริฐกว่าอวัยวะประเสริฐกว่าชีวิตการจะได้มาถึงสัมมาสัมพวิยาณก็เพราะกุศลและศีลเป็นต้นเหล่านี้แล้วพิจารณาอย่างเนี้ยก็อดกลั้นไว้ ไม่ใช่แค่นั้นนะถูกดึงออกมาอีกถูกแทงถูกจับถูกลากไปงี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเรานึกนึกอย่างนี้เราจะเห็นว่ากว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมพธิญาณเนี่ยมันทรมานอย่างเงี้ยถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้เราจะรักพระพุทธเจ้ามากเลยเนะฉะนั้นการาบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศเนี่ย ทั้งเป็นทานบารมีทานอุปปาและทานนปรมัตถบารมีเป็นต้นจนถึงสละชีวิตเป็นต้นเหล่านี้เป็นศีลเป็นต้นก็เป็นไ ป, นปนในลักษณะอย่างนี้พระองค์ได้ทรงบําเพญ็ญครอบถ้วนบริบูรณ์แล้วตามสมควรแก่ขัตสัพ์นั้นเขาเรียกว่าอภินิหารก็คือการตั้งใจไว้อย่างมั่นคงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นพทะเจ้าเขาเรียกอภินิหารอภินิหารก็คือความอาศจรรันเนี่ยว่าทําได้ซึ่งเราก็สามารถทําให้เกิดได้อภินิหารเนี่ย ก็คือว่าความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นยกตัวอย่างเช่นตั้งใจว่าเราจะไม่โกรธเราก็สามารถข่มขจัดความโกรธได้เป็นอภินิหารไหมครับเป็นไม่เป็นนี่แหละเขาเรียกอภินิหารเคยมีบ้างไหมเกิดมาเคยมีอภินิหารแบบนี้ไหมคือตั้งใจว่าจะไม่โกรธก็ทําได้จริงๆอ่ะเคยไหมครับโอ้ได้กี่ครั้งนั่นแหละพยายามทําว้อภินิหารว่าจะลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนั่นนะ นี่คือคือพระพุทธเจ้าถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งนะมองในสัมปทานนะครับแต่ยิ่จะสรุปให้คือเหตุสัมปทานสัมปทานมีสานะหนึ่งเหตุสัมปทานความถึงพร้อมด้วยเหตุสองผลสัมปทานความถึงพร้อมด้วยผลสก็คือสัตวรูประการรัม์ปทานความถึงพร้อมด้วยการอนุเคราะห์เราสัตว์ทั้งหลายสัมปทานสาประการเนี่ยคือการเหตุ เหตุสสัมปทาถึงพร้อมด้วยเหตุก็คือกล่าวถึงความเพียบพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการบาเพ็ญบารมีสามสิบทัศทั้งหมดเริ่มตั้งแต่มโนปนิทานวจีปนิทานพร้อมทั้งกายและวาจาไหมยี่สิบสองขายยิ่งด้วยแสนกับคิดด้วยใจเท่าไหร่เจ็ดอสองขาย เปล่งวาจาปราถนาเป็นพุทธเจ้า9อาสองไข่ก็รวมเป็นสิบทั้งกายและวาจานี้ได้พบพระเจ้าเลยได้แรับพยากรณ์อีกอสี่อสงไข่ ย, ยิ่งด้วยแสนกัปก็รวมเป็น16บหอสองไข่ ย, ยิ่งด้วยแสนมหากัปอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาธิกกสัมมาสมพุทธเจ้าถ้าศรัทธาธิกะสัมมาสมุทัเจ้าเนี่ยสยี่สบอสงไขยนะก็ เพิ่มกึ้นอีกเท่าตัวแต่ถ้าวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแปดสิบอสองไขอยากจะเป็นพุทธะประเภทไหนก็เลือกเอา <c oughs> ก็เลือกเอาจะเป็นปัญญาธิกะศรัทธาธิกะหรือวิริยาธิกะนะครับก็ไปเลือกเอาก็ไปบวกลบคูณหารเนาะทีนี้คําว่าเหตุตุสัมปทาเนี่ยถึงพร้อมด้วยเหตุเนี่ยทรงมีผ้ามหากรุณาที่คุณจริงๆ คนที่จะระดมในการบำเพ็ญทานศีลในขม้เป็นต้นจนถึงเบขาเนี่ยอย่างอุกฤษและอย่างมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อเนี่ยและการได้บำเพ็ญบริสามสิบทั์แม้มหาวิปัสนาญาณนะทั้งหมดพระสัพพัญญตญาณที่เรียกว่ามหาวชิยรญาณปัญญาดังคาเพชรใหญ่เนี่ยจำนวนสองล้านสี่แสนโกสมาบัตอันพระองค์ให้เกิดขึ้นนะควงไม้โพธิพฤกษ ในวันที่ตัสรุนุตรสัมมาสัมพวิยาณเนี่ยมหาวิปัสสนาญาณคือมปนอย่างนี้เวลาพระพุทธเจ้าได้สมาธินะครับเดี๋ยวเล่าเล่าเรื่องหนึ่งว่าก่อนหน้าที่จะได้ตัสรุหลังจากบาเพ็ญบารมีเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์บําเพ็ญทุกขลกิริยากี่กี่ปีกี่ปีครับหกใช่ไหมทําไมบําเพ็ญทุกขกิริยานานขนาดนั้น เพราะอะไรอ่ะสถานที่ที่พระพุทธเจ้าบาเพ็ญทุกขกิ ร, ริยานะ่ะตรงไหนดอนกัสรีพวกเรารู้กันนะทีนี้เอ่อมันมีเหตุอย่างนี้ด้วยนะว่าการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาถ้ายังไม่ถึงก็ยังเป็นไม่ได้นี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนฉะนั้นการตัดสินใจในการออกบวชบาเพ็ญเนคขมะของพระโพธิสัตว์เนี่ย ท่านออกเร็วออกอายุยี่บเก้าใช่ไหมครับแต่จะต้องตัดสู้จริงๆเนี่ยที่จะถึงเวลาจริงๆต้องอายุสามสิบห้าฉะนั้นในช่วงนี้เป็นโอกาสที่กรรมที่เคยทำไวในอดีตมันได้จังหวะพอดีก็เลยให้ผลกรรมอะไรที่ทำให้พระโพธิสัตวเนี่ยจึงไม่ได้ตัดสู้จึงมาขัดขวางการตัดสู้ทำให้ตัดสู้ช้าเพราะอะไรรู้ไหม ย้อนไปหน่อยตอนที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นโชติปาระมีเพื่อนชื่อว่าคติการะไปดูในคติการะสูตรตอนที่เป็นโชติปาระมานพเป็นคนที่มีสติปัญญามากคนที่มีสติปัญญามากก็จะมีทิฐิมีกําลังเชื่ออะไรยากนี่เป็นแบบนี้แหละนั่นก็ต้องเช็คบาลานให้ดีนะสําหรับคนที่บํบาเพ็ญบารมีเนะี่ยถ้ามีปัญญาดีๆปัญญามากๆจะเชื่อถือคนอื่นได้ง่ายหรือได้เร็วหรือได้ยาก ก็เชื่อได้ยากในวันนั้นน่ในครั้งนั้นเน่เพื่อนชื่อว่าคติการาเป็นพ้านาคาเป็นเป็นคนธรรมดาแหละแต่เลี้ยงพ่อแม่ทิตาบอดแต่ตนเองเกิดในตระกูลสูงพระพุทธิษันเป็นโชติปาราใน่เกิดในตระกูลสูงมีอวันหนึ่งคติการาก็อยากจะพาเพื่อนไปฝ้องพุทเธเจ้าบอกงั้นเถอะระกัศสป่าสามมาสามุทรยาในยุคนั้นน่ก็เลยบอกว่าเพื่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกไปเราไปเฝ้ากันเถอะก็ไปชวนโชติปาระแบบนี้โชติปาระไม่เชื่อโดยการตำหนิว่าไม่เชื่อหรอกว่าจะมีสัพพยุตยานสัพพยุตยานน่ะไม่มีทางที่จะได้มาง่ายๆสัพพยุตยานจะได้ง่ายแต่ที่ไหนต้องได้ยากไม่เชื่อแล้วก็ไปใจที่หมิน่น คิดปทสสาลายว่าสัพพัญญตยานไม่เชื่อว่าจะมีพระพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นน่ยไม่เชื่อเจกจิคิดหมิ่นเพียงแค่นี้แล้วก็เปล่งวาจาแล้วก็พูดออกมาเนี่ยเจ็บปวดทันทีเห็นไหมกรรมประเภทนี้ยตัวเองก็ไม่ไปคติการะก็พยายามชวนยังไงก็ไม่ยอมไปเด็ดขาดทีนี้ชดคติปาระก็นั่งคิดว่าเออทํำยังไงจะให้เพื่อนไปก็เลยหาอุบายบอกเพื่อนว่าเออเพื่อนไปเที่ยวน้ําตกกันไว้ ตยมไหมเออเนี่ยตรงภูเขาเนี่ยมีน้ำตกเดียวไปอาบน้ำกันเออโชติปาราบอกออกไปมันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าอย่างจะชวนพวกเราถ้าเราไม่มีไม่มีกติกาใดๆเลยนะเออวันนี้ไปฟังธรรมหรือไปเที่ยวคิดว่าเราจะไปไหนอ่ะไม่เหลือใช่ไหมล่ะมันต้องคนระดับ พระเภทที่โหศรัทธามั่นคงยังไม่ยอมเด็ดขาดหัวเด็ดตินขาดจะไปฟังทำ <c oughs> ไม่ค่อยมีเราแบบเนี้ยจะมาวิเที่ยวโชวติบาละก็ไปทีนี้ไอ้ที่ที่น้ําตกกันอยู่ใกล้พุทธิย่าประทับก็เลยไปอาบน้ําอยู่ทีนี้โชติบาละก็อาบน้ําอยู่ในในในในในใ น, ใน้ําตกอะ่ะคติการะอยู่ข้างบนนั่งอยู่บนโขดหินอาบไปดําผุดดําำวายสักพักหนึ่งก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าเพื่อน เดี๋ยวอาบน้ําเสร็จลงไป้าวพระเจ้ากันดีไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ไป <laughs> ไม่เชื่อก็ตําหนิอีกตําหนิสัพพะิยารันตําหนิพระเจ้าอีกค <c> ติกาละเห็นว่าไม่ได้เรื่องแล้วเลยจับมวยผมสมัยก่อนเขาจับไปเองเขาทําเป็นมวยผมจับมวยผมของโชติบาลาเนี่ยจับอย่างแน่นแล้วก็ดึงรากเลยครับลากขึ้นมาเลยทุลุกทุกังขึ้นมาเลยคือโชติบาลานนี่ตกใจมากเลย คือปกติเวลาคบกันเนี่ยไม่เคยเลยว่าคติกาละจะเคยทําตัวเองอย่างนี้เพรากติกาละเกิดในตระกูลที่ต่ำกว่าใช่ไหมเป็นวันนะที่เป็นตระกูลที่ต่ำกว่ายากจนกว่าสราระภาพอะไริน้อยกว่าหมดเลยอะ่ะแต่ทำไมทํากับตนเองอย่างนี้ถ้าเป็นเราก็โกรธใช่ไหมแต่ท่านไม่โกรธคนมีปัญญาคิดอีกมุมนะคิดเอ๊ะอะไรว่เพื่อนทําเราขนาดเนี้ยดึงรากเราขึ้นมาแบบนี้เลยที่จะลากไปเฝ้าพทธเจ้าเนี่ยหรือชะลอยว่าพระเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นแล้วจริงๆ ไปก็ไปเนี่ยเตอนนี้ถูกเพื่อนลากไปพอไปเห็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดแล้วงั้นคนที่สั่งสมปัญญามาดีศึกษาในคติในลัคนาสูตรมาดีรู้เพียงเห็นพระเนี่เห็นพระนาสิกเห็นพระพระเสียนเห็นริมพระโอษฐเห็นพระกันเห็นพระขนงเห็นพระนราศเห็นพระวรกายปุ๊บ ความรู้เดิมที่สั่งสมในอดีตมันผุดขึ้นผู้ผหมดเลยคนที่มีลักษณะแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าชัดเลยเห็นไหมอย่างพวกเราเนี่ยเห็นลูกพุทธเจ้าตื่นเต้นไหมครับเฉยเนี่ยมันไม่ได้สั่งสมอะไรมาเลยนะพวกเราอย่างเดียเขาพูดแล้วพูดอีกกราบที่กดหัวตอนเป็นเด็กๆ่งจับหัวแล้วกดให้กราบแล้วก็กราบไปอย่างั้นแหละใจไม่ได้ตื่นเต้นปีติไม่เคยเกิด น, นะครับ เนี่ยมันเฉยขนาดนั้นมันมึนขนาดนั้นนะสภาพปัญญาในใจเราเนี่ยน้อยขนาดนั้ น, นฟังข้อมูลพระเจ้าฟังแล้วก็ง่วงฟังแล้วก็โหดหูฟังแล้วก็ท้อถอยฟังแล้วตื่นเต้นเป็นสิบวันยี่สิบวันมีไหมครับไม่มีใช่ไหมเนี่ยพออย่างนั้นเส ร, เร็จเสร็จปุ๊บแล้วก็ยิ่งฟังถามโอ้โหศรัทธารอดแลนด์แล้วถามเพื่อนบอกเพื่อนพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยเลิอดขนาดนี้ทําไมเพื่อนไม่บวช เพื่อนก็บอกว่าตนเองต้องดูแลพ่อแม่ที่ตาบวชวันนั้นเลยไม่ได้กลับบ้านเลยโชติปาระเลยขอบวชขอขมาพุทธิยาวแล้วก็ขอบวชนั้นในชาตินั้นบําเพ็ญบา ร, รมีในเพศของนักบวชตลอดอัตภาพนี่ชีโชติปาระก็คือพุทธิยาของเราองค์ปัจจุบันนี่แหละกรรมที่ตําหนิอย่างนั้นน่ะตกนรกท้าไม่รู้เท่าไหร่แล้วมาในชาติสุดท้ายกรรมที่ไปตําหนิอย่างเนี้ยทําให้ตนเองปฏิบัติผิดหลงทิศหลงทางอยู่หกปีเขยาจะยังเนี่ยกรรมตัวเนี้ย เวลาเราเป็นพระธรรมทูตทเราก็จะได้มองอะไรชัดใช่ไหมจริงผมจะพูดเรื่องพระธรรมทูตทผมเลยมาเรื่องนี้ได้ไงไม่รู้วเนี่ยผมุ่นึกออกอันเนี้ยไอเนี้ยนี่มองเห็นนีอยังว่าเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบําเพ็ญทุกกรรม ก, กิริยาตัง้งหกปีหาอะไรไม่เจอหาสถานที่บรรลุไม่เจอ การจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งที่ไหนก็บรรลุไม่ใช่ที่ตรงนั้นเท่านั้นที่ที่ประทับที่ใต้ต้นพระศีมหาโพธิพุทธกานี้เท่านั้นแดนนี้เท่านั้นบริเวณนี้เท่านั้นสถานนี้ตรงนี้เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าพทุกพระองค์ที่จะมานั่งประทับและตัดสู้ใช่ไหมล่ะก็หาไปสิถ้าการรมมันปิดบังแล้วก็หาไม่เจอไปนั่งนะที่ไหนก็ไม่ได้สปายะ หนึ่งอุตูไม่สปายะสองเสนาสนะไม่สปายะสถานที่ไม่สปายะมันก็บรรลุไม่ได้ย่างเป็นต้นเห็นไหมเพราะไม่มีสถานที่ที่จะทีรองรับพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลสถานที่ที่พระเจ้าเลือกที่จะไปตัดสรุ้ต้องเป็นสถานที่ที่สามารถรองรับคุณธรรมให้สังเกตดูไหมว่ามหาวิปสนาญาณเนี่ยที่เรียกว่าปัญญาดังคถาเพชรใหญ่จนวนสองล้านสี่แสนโกดสมาบัติเนี่ย ที่ทําให้เกิดขึ้นณสถานที่โพธิมณฑลเนี่ยที่ตรงนั้นต้องเป็นสถานที่เสถียรที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นจุดกลึงแล้วก็ดุลยภาพที่สุดที่จะสามารถรองรับคุณธรรมของความเป็นพุทธเจ้าได้ฉะนั้นพระเจ้าจึงหาที่ตรงนี้ให้ได้ถ้าหาไม่เจอก็บรรลุไม่ได้เออตรงนี้เราก็จะได้ไปอธิบายได้ใช่ไหมว่าเออมันสําคัญอย่างเงี้ยเวลาเราไปนะที่พุทธคยามันจะ้ตื่นเต้นบ้าง ไปเฉยเคยเป็นไหมครับเว่าจะเดินมุมไหนมันเฉยหมดเลยมันไม่ตื่นเต้นอะไรเลยอะ่ะเคยเป็นไหมครับไปเอ๊มันก็เงียบเงียบเฉยเฉยังไงไม่รู้เขาพากันโศกเศร้ามันโศกเศร้าทําไมเนี่ยกูไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรเลย <laughs> <laughs> ผมไปเมื่อปีสองพันหนึร้อยสามสิบสี่ครั้งแรกเนี ผมก็ไปนั่งอยู่ที่พระแท่นวชชะอาศสมัยก่อนก็ไม่มีที่ล้อมอย่างนี้หรอกพระแท่นก็ไปแท่นเดิมตรงนี้ก็ไปไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วผมก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ะนั่งก็คิดเลยไม่ไค อ, ออกทั <c oughs> ง้งทั้งที่ผมก็ศึกษามาดีแล้วนะผมกล่าวผมเนี่ยทาข้อมูลทําอะไรต่างๆไปดีนะเป็นอาจารย์สอนเป็นอะไรแล้วไปนั่งเอ๊ะทำไมมันคิดไม่ออกตอนนั้นพระที่เบ็ดเต็มไปหมด แล้วก็สวดมนต์กันทั้งคืนหนาวก็หนาวในยกนั้นก็รบทั้งสี่องศาผมก็ไปนั่งอยู่นั้นแหละทำไมมันคิดพุทธคุณไม่ขึ้นเลย <c oughs> ผมสงสัยตัวเองมากเลย <c oughs> แล้วก็แล้วก็ไม่สบายใจกับตัวเองที่เป็นอย่างนั้นเลยใครเป็นแบบนี้ครับเป็นไม่เป็นจะได้บอกวิธีให้ ใครเคยไปอินเดียมากี่ครั้งเลยเนี่ยใครไปมาครั <NXT> ้งหนึ่งนึกยกมือดิโอ้เยอะนะสองครั้งมี้ยแล้วไปแล้วเป็นไงเคยไหมแบบเห็นเขาปีติก็บิ้วอารมณ์ตามเขาด้วยแต่ไม่รู้เรื่องว่าปีติทำไมไม่รู้เห็นเขาน้ำตาไหลก็ไหลกับเขาหน่อยไหลจริงใช่ไหม เออเนี่ยเวลาไปเนี่ยเวลาคือมันอย่างนี้คือการที่เราเราเรียนแบบผิวเผินเรียนแบบศรัทธาเราไม่แนบแน่นและเราไม่เห็นคุณไม่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเลยถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นใคร เออเราจะว่าอะไรเนี่ยเป็นพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นใครเนี่ยรคประคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันละวิญญาณขันอะไรกันแน่ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้ามันไม่มีลึกขนาดนั้นไงสมัยก่อนใช่ไหมตอนที่พระเจ้า <c oughs> บําเพ็ญทุกการกิริยาเนี่ยหกปีเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจาะตรงนี้ให้เห็นสักนิดนึงในะเวลาจํากัดเนี่ยว่าจะเล่ารายละเอียดเดี๋ยวตรงนี้ก่อน เพิ่งเปลี่ยนใจตอนนี้ขนาดนี้ยครื อ, องนี้พอพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บำเพ็ญบารมีได้บำเพ็ญทุกะักิยาเนี่ยหกปีแล้วตอนนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญจนอุกฤษแล้วจนชนิดที่ว่าถ้าเพียนกันอีกนิดเดียวใจก็ขาดตายคือที่ทดลองมาเนี่ยจนท่านระลึกอดีตอดีตที่ผ่านมาที่ดูว่าคนที่เพียนขนาดนี้มีใครไหม ไม่มีใครยิ่งกว่านี้ถ้าเพียรยิ่งกว่านี้ใช้ขาตายเลยนะขนาดมีพระกําลังขนาดขนาดมีเพ่อวรลักษ์สามสองประการนุเพยัญชนะแปดสิบคนที่สร้างบา ร, รมีมามีกําลังขนาดเนี้ยสร้างช้างเป็นแสนแสนเชือกเนี้ยแล้วก็บําเพ็ญบา ร, รมีจนกําลังมันหมดไปอะ่ะจนกราชกายผ่ายผอมเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกใช้มือลูบไปตามตามพระรกายเนี่ย ขนติดหลุดหมดแล้วลากเน่าหมดแล้วคำไปที่ท้องติดแผ่นหลังจับหลังกับแผ่นท้องเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วลุกขึ้นก็บส่วนเซหกล้อมเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกเส้นเอ็นขึ้นสะพึกสะพังใช่ไหมล่ะขอบตาลึกลงไปเหมือนกับบอกน้ําที่ลึกนี่เป็นต้นเส้นเอ็นเนี่ยโหเห็นหมดเลยกระดุมกระดูกทั้งหลายเหล่านี้ยเหมือนกับเทวันที่เป็นเป็นปมปมปมเงีง้ย ไม่มีเนื้อเลยอ่ะว่ากันเตะมหาปุริสรัตณะหายเกลี้ยงหมดเลยความงามไม่เลยเหลือลกขึ้นจะปัสสาวะก็ล้มลงล้มล ง, งนนเนี่ยน่ะเนี่ยคือถ้าอีกนิดเดียวใจก็ขาดแล้วก็ตายท่านก็เลยรู้ทันทีเลยว่าการบำเพ็ญทุกรกรกิริยาเพื่อจะให้บรรลุสูงสุดคือพระนิพพานมันไม่ใช่ทางแล้วมันไม่ใช่ทาง วิธีการแบบเนี้ยห้ามทําเขาจะยังไอผิดแบบเนี้ยที่พระองค์ทําให้ดูแล้วเนี่ยห้ามแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยคนบางคนยังอยากไปทําตามซึ่งมันผิดเขาใจะยังนี่เขาเรียกมิจฉาปฏิปทาไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาเป็นการดําเนินผิดอย่าทําอย่างที่ท่านทําไอแบบผิดแบบเนี้ยจงทําแบบถูกวิธีท่านก็เริ่มคิดชะลอยว่าหนทางนี้ไม่ใช่เป็นหนทางการตัดสินเป็นวุฒิยาแน่นอน ท่านก็คิดว่าแล้วอะไรอ่ะมันจะเป็นปัจจัยกนการบรรลุตัศรุษท่านก็หวนและลึกถึงสมัยเป็นเด็กตอนที่ทำพิธีจรดมงคลแรกนาขวัญที่พระราชบิดาคือพระเจ้าสุดโทธนาไปประกอบพิธีแล้วท่านนั่งใต้ต้นว่านั่นแหละตอนนั้นเป็นเด็กพอนั่งแล้วตอนนั้นท่านก็ยังอาณาปานาสติหตั้งขึ้นโดยการกาหนดลมเข้าแลวออก แค่แวัฟเดียวแค่นั้นแหละก็ยังปฐมฌานคืออัปนาสมาธิระดับสูงให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดเป็นมหรรัศจัลที่ตะวันบ่ายคล้อยไปแล้วก็ไม่เงาของต้นไม้ก็ไม่ไม่เคลื่อนย้ายไปตามแายอาทิตย์นั้นท่านก็เลยมนานสิการในใจว่าชลอยว่านั่นจะเป็นหุนทางในการบรรลุแน่นอนทีนี้การที่จะยังฌานสมาบัติให้กลับขึ้นมาคืนอย่างเก่าเนี่ย มันทำไม่ได้ในอัตภาพแบบนี้ฉะนั้นต้องสละวิธีการแบบนี้ทั้งหมดกลับไปหาอาหารมาดูแลร่างกายให้แข็งแรงเมื่อร่างกายแข็งแรงก็ดำเนินไปตามศีลสมาธิให้ตั้งมัน่นแล้วใช้สมาธททิเป็นฐานเดินวิปัสสนาญาณโอกาสบรรลุได้บีแน่นอนท่านก็เลยมนัสิการหนทางนี้เขา้าใจยางเนี่ยท่านก็เลยละจากการอดอาหารแล้วก็ไปหาอาหารปัญญวคีเห็น ท่านขายความเพียรแล้วเวียนมาสู่ความเป็นคนมากๆในทัศน์ของปัญญวิคีปัญญคีก็หนีบอกโอ้ไม่ใช่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่หนทางแน่นอนเนี่ย น, น, นี่นก็เลยก็เลยจากกันตอนนั้นแล้วท่านก็เลยบำเพ็ญหลังจากนั้นเบีเสร็จท่านก็เดินก่อนหน้านั้นท่านไปที่อาราลดาบดใช่ไหมอาราลดาบดเนี่ยการามโคตอุตการดาบดรามบุตรเนี่ยไปได้ฌานสมาบัตเจดกับอาราลดาบดใช่ไหมครับ คำวราฌานสมาบัติเจ็ดก็คือรูปฌานสี่อารมูปฌานสามรวมไปเจ็ดแล้วก็ไปหาอาจารย์อีกคนหนึ่งไปได้อารูปฌานที่สี่คือวิญญาณัญญาไม่ใช่เนวสัญญานะสัญญา ญ, ญาณฌ า, านไอเ้เจ้าเจ้าเจ้าคนเนี้ยเจ้าอุทะกาดาบทเนี่ยรามาบทเนี่ยเขาก็ได้แค่เจ็ดได้แค่เจ็ดนะเจ้าหมอเนี่ยอีกตำราหนึ่งบอกว่างั้นนะ แต่แปดนี่ยอาจารย์ได้แต่อาจารย์ตายไปแล้วอาจารย์บอกไว้แต่ทําไม่ได้พอพระโพธิสัตว์ไปหาก็มาปรึกษาว่าเนี่ยพระโพิสัตถามว่าได้สมาบัติไหนบอกได้แค่เจ็ดแปดกำลังทําอยู่ทําไม่ได้เอออาจารย์บอกว่าอย่างไงพออาจารย์บอกเออบอกว่าอย่างงี้ปุ๊บพระโพิสัตก็เอามาทําได้ทันทีแล้วก็เลยกลับไปบอกเนี่ยบอกเจ้าเนี้ยให้ได้ตามด้วยอย่างงี้เป็นต้นคือวิธีคิดของพระโพิสัต แล้วก็เป็นวิธีคิดสําหรับเรานะท่านคิดทีแรกท่านบอกว่าที่ไปหาอรลาะ ล, ะ ล, ะละบทเนะี่ยบอกว่าอุทกาาบทเป็นต้นนะท่านบอกว่าเออท่านผู้นี้ได้ปฐมฌาน ท, ท, านตทานุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานได้อรูปฌานอีกสามท่านผู้นี้ที่ได้ฌานสมาบัติเพราะท่านผู้นี้มีศรัทธามีความเชื่อมีความเชื่อมั่นว่าตนเองต้องทําได้มีความเพียร ก, กล้าในการที่จะฝึกฝนพัฒนาเที่ยวจะได้ มีสติในการกำกับอยู่กับกรรมฐานมีความตั้งมั่นแห่งจิตและมีปัญญารู้เหตุและรู้ผลท่านเหล่านั้นจึงทำได้เอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ใช่มีแต่อารลัสดาบทอุตกาดาบท์แม้เราก็มีเพียงแต่ว่าเราก็ให้อาหารให้เหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นซินี่วิธีคิดเป็นแบบนี้นะครับคนคิดแบบนี้ทำอะไรก็สำเร็จถ้าท่านลองคิดดูดีท่ า, ทานลองคิดดูโอ้มีพระรูปหนึ่งท่านฉลาดมาก หรืออย่างคิดออท่านอัญญาโกนัญญาเนี่ยท่านได้บรรลุเพราะท่านมีศรัทธาเพราะท่านมีความเพียรเพราะท่านมีสติเพราะท่านมีสมาธิเพราะท่านมีปัญญาถ้าย้อนกลับมาดูเราจริงๆเรามีไมศรัทธามีวิริยะไหมมีสติไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหม มีวิธีการที่จะให้อาหารของศรัทธาเวริยสติสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นได้ไหมเอามีอีกไม่ตาม่างเนี่ยเขาคิดแบบนี้คนคิดแบบนี้ประสบความสําเร็จนะถ้าไม่คิดแบบนี้ยไม่ประสบความสําเร็จคนอื่นได้ทําไมเราจะไม่ได้ทําได้อยู่แล้วนั่นไม่ต่างกันเนี่ยพระพุทธเจ้าคิดแบบนี้พอคิดปุ๊บท่านทําได้ทันทีเลยเพราะท่านเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจวิธีการเนี่ยแต่พอทําแล้วท่านจึงรู้ว่า ที่รู้มากกว่าอาราลาดาบทและอุทกกาดาบทคือพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วกรรมที่ทํานี้จะไปเกิดที่ไหนแต่พระพุทธเจ้ารู้หมดเลยท่านรู้เหตุผลหมดเลยเพราะท่านศึกษามาดีมากในสังสารวัรท่านรู้เลยว่าได้เนวสัญญานาสัญญายตนาแล้วก็จะไปเกิดเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนาพรมเพราะกําลังของเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานไม่ใช่นิพพาน ถ้าได้อากินจัญญายะตนะจากอากินจัญญายะตนะก็จะทําให้เกิดในกินอากินจัญญายะตนะพรหมไม่ใช่พระนิพพานก็ยังไม่พ้นจากทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายเอาแล้วเนี่ยนี่ความที่พิเศษคือตรงนี้ท่านรู้ว่าสร้างเหตุอย่างนี้ผลอะไรจะเกิดขึ้นทําเหตุปุ๊บเห็นผลเลยเหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนเราเคยไปอย่างเงี้ย เราอยู่ที่วัดมั้ยบางท่านก็อยู่เพชรบูรณ์บางท่านก็อยู่อยู่ชัยภูมิอยู่ร้อยเอ็ดเนี้ยพอนั่งรถบอกว่าจะไปชัยภูมิมันเห็นเลยไหมเห็นไหมว่าพอนั่งรถปุ๊บเราเห็นเลยว่าเราจะไปตรงไหนแล้ว เ, เห็นจุดหมายเลยใช่ไหมเนี่ยพอทําเหตุปุ๊บมันจะเห็นจุดหมายคือผลเพราะพระพุทธศาสนาท่านมีปัญญาตัวนี้ชัดนะครับพอสร้างเหตุอะไรปุ๊บท่านเห็นจุดหมายท่านเห็นผลเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่นี่คือความพิเศษ ท่านจึงบอกว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุนทางการหลุดพ้นเป็นต้นทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าท่านคิดว่าเฉลยว่าที่ท่านเกิดขึ้นจากการที่ตอนเป็นเด็กเนี่ยที่ทําสมาบัติให้เกิดขึ้นนี้เฉลยจะเป็นหุนทางการตัดสรุปแล้วท่านก็มาระดมความเพียรใหม่พอร่างกายเกิดลูลักษณะมหาบุรุษกลับขึ้นมาใหม่ความแข็งแรงของร่างกายเกิดขึ้นมาท่านก็ระดมแปลว่าท่านได้มาไหมสมาบัติแปดแล้วอภิญญาได้มาครบ ฉะนั้นหลังจากนั้นท่านก็แสวงหาสถานที่แล้ววันท้ายๆก่อนที่ได้ตัดสู้ที่ท่านไปที่บ้านนางสุชาดานางสุชาดามาถวายข้าวพระทูปายาตก่อนหน้านั้นท่านฝันใช่ไหมครับที่สุบินนิมิตห้าประการนั้นในความมั่นใจเกิดขึ้นเต็มร้อยแล้วและเมื่อท่านรับข้าวพระทุปาญาตจากนางสุชาดาเบีเสร็จปุ๊บแล้วท่านก็ลอยถาดพอลอยถาดเบีเสร็จท่านอยู่คนละฝั่งกับแม่น้ําเนรัญชลาท่านก็ข้ามฝั่ง ถ้าประเด็นบอกว่าท่านข้ามฝั่งยังไงเราจะตอบเขาว่างไงตอนนั้นท่านได้ฤทธิ์หรือยังได้แล้วได้อพิญญาแล้วสมาบัติแปดอะพิญญาฉะนั้นเรื่องการข้ามเป็นเรื่องกระจกมากของคนในยุคนั้นไม่ใช่เฉพาะพระบริษัทแม้อาราและดาบทอุทกาดาบทแม้ลูกน้องทั้งหลายในนี้ล้วนจะมีฤทธิ์กันแทบจะทั้งนั้นคนในยุคก่อนเรื่องการทำฤทธิ์เป็นเรื่องปกติเหมือนการทำเครื่องบินบินได้นี่แหละ แต่ว่าใช้ความสามารถไปทบข้างนอกหรือข้างในแค่นั้นเองแต่คนยกก่อนก็ฝึกข้างในกันเขาจะยังทีนี้ท่านก็ข้ามฝัง่งแล้วก็รับข้า ม, มาทุกใบญาเออรับหญาคาจากนายโสธยาพามไปต้นแล้วก็มามาเดินวนนั่นแหละต้นอั ศ, า ศ, า ศ, าศาพรกย์ก็ได้ตําแหน่งที่ถูกต้องที่มั่นคงตัว น, นั้นท่านก็โปราชแล้วก็เทวดาก็เดลมิตรบรรลังขึ้นมาแล้วท่านก็นั่งก่อนจะนั่งท่านก็บอกว่าเนื้อไรเลือจะเหือแท้ไงหงายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ก็ตามที ถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมพุทยญาณจะไม่ทำลายบัลลังก์ท่านก็นั่งเงียบเป็นต้นแล้วก็ได้บรรลุนี่เราจะเห็นชัดว่าการที่ท่านนั่งแปลว่าสมาบัตินั้นมาเต็มรูปแบบแล้วแล้วในแบ่งเป็นสามช่วงใช่ไหมช่วงปฐมยามทุติแล้วก็ตติปฐมยามทุติแล้วก็มัชชิมยามแล้วก็ปัจฉิมยาม ช่วงตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยท่านสามารถทำปุบเพนิวาสานุสติญาณให้ตั้งขึ้นอันนี้เป็นอภิญญาระดับที่หนึ่งคือปัญญาที่รู้ยิ่ง4ี่ชั่วโมงเนี่ยนะปุบเพนิวาสานุสติญานญาณที่เป็นไปกับสติระลึกชาติทนหลังตนเองได้หมดเลย ร, ะ, ร, ะ, ร, ะ, ร ะ, ละลึกได้อย่างรวดเร็วนะแค่หายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยพระเจ้าระลึกได้ เก้าสิบเอ็ดกับความเร็วของสตินะครับกลับหนึ่งนับยังไง mm hmm. ก็ขุดลงไปขุดก็นะก็คือยอดหนึ่งลึกยอดหนึ่งนะในแผ่นดินเนี่ยกว้างอีกยอดหนึ่งร้อยปีเอาเม็ดงายโยนลงไปเม็ด ร้อยปีเอาเม็ดงาโยนไปเม็ดหนึ่งเม็ดงาเต็มหลุมนั้นเขาเรียกหนึ่งกับใช่ไหมเออเขาเรียกหนึ่งนั่นแหละหนึ่งกับเนี่ยแค่หายใจนี่ออกแค่นี้เเนยล้ลึกได้แล้วความเร็วของสติเร็วไหมที่เร็วอย่างนี้บางทีพูดอย่างเราๆเนี่ยเราจะไม่เข้าใจถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับถ้าเราทําแค่สมาธิเบื้องต้นได้ไม่ต้องระดับนี้นะให้ไปฝึกทําเลย ทำแค่สมาธิเบื้องต้นถ้าทำแค่ระดับอุปจาระไม่ต้องปฐมฌานด้วยนะแค่อุปจาระขจัดกามชันทะพยาบาทีนะิมิธาอุทธจธักกุกปุจจาวิจิจิชาให้ออกจากใจได้แล้วท่านลองใช้ใจที่ระดับอุปจาระสมาธิระลึกเร็วมากซึ่งเร็วมหัศจรรย์มากท่านพิสูจน์ได้และแค่จะทําอุปจาระสมาธิเนี่ยแม้จะเป็นทวิเหตุก็ทําได้ในอัตภาพนี้ท่านไปทําเลย ถ้าฝึกจิตได้จะได้อุปจารานะก็คือสามารถข่มนิวรณ์ได้สมาธิตั้งมั่นได้ระดับหนึ่งตอนนั้นจิตเป็นสมาธิจิตมีความเสถียรจิตมีความใสสงบแล้วใช้จิตเหล่านั้นลองระลึกอะไรดูมันจะเร็วมากวบวบเร็วมากซึ่งตกใจตัวเองจะนึกไปที่แผ่เมตตามันจะวิ่งป๊อ๊อย่างรวดเร็วเลยนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหก็ได้สมาธิเพียงนิดเดียวแค่นี้มันยังเร็วขนาดนี้ ถ้าระดับสมาธิที่ได้สมาบัติแปดแล้วเดินวิปัสนาญาณที่เป็นนามรูปปริเเทธญาณหรือทิฏฐิวิสุทธิได้สามารถระลึกชาติทุนหลังได้ไม่ต้องพูดถึงยิ่งมาได้ด้วยกําลังของอภิญญาด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาด้วยอภินญาเนี่ยเป็นจิตที่พิเศษ<ม>เป็นตัวฐานเป็นตัวผักดันด้วยแล้วเนี่ยรวดเร็วมากนี่เป็นอย่างนี้ในภาษาศาสนามันดีตรงเนี้ครับมีขั้นตอนฝึก ขั้นตอนปฏิบัติแล้วสามารถฝึกแล้วก็ทําได้เนี่ยมันมันมั น, ม, นมันดีตรงนี้เนี่ยท่านสามารถระลึกชาติทุนหลังได้ระลึกได้สองส่วนนะส่วนที่ระลึกได้ถึงชาติตระกูลบ้างสีผิววันนะชื่อโครตกับระลึกเจาะลงไปถึงว่ามีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารรูปนามขันห้าเท่านั้นเป็นไปอยู่สัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีอันนี้แปลว่าทะลุดทะลวงได้หรือความเป็นทำํำลายอัตราได้เลยครับ ในในในปุเพนิวาสารนุติยานก็แปลว่าสองส่วนสมาธิหรือสมาธากับวิปัสนาควบคู่กันเนี่ยท่านได้แล้วนามรูปปริกเททยาณ น, นี่ในปถมยามนะครับเนี่ยระลึกชาติได้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแล้วก็วิชาเกิดขึ้นทําลายอาวิชาคือความมืดแนอดีตสามารถมองเห็นกระแสชีวิตในอดีตทั้งหมดเท่าที่เจร ล, ลึกได้เนี่ยนะนี่เป็นอย่างนั้นระลึกไงก็ไม่จบนะอย่าลืมนะ เราไม่สามารถที่จะระลึกไปให้หมดได้ระลึกยังไงก็ไม่จบนั่งระลึกอย่างนี้ถ้าคนระลึกได้ระลึกไปจนตายจนกลับนี้สิ้นไปก็ไม่หมดสังสารวัตมันจะหมุนไปเรื่อยๆเขาใจอย่างมันไม่มีเบื้องต้นและไม่มีเบื้องปลายมันเป็นอย่างนี้สังสารวัตเป็นแบบนี้แล้วต่อมามัชิมายามตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองท่านทาอะไรให้เกิดขึ้นจุตูปปาฏิยาน ยานที่รู้จุดติและปฏิสนธิรู้การเกิดการอุบัติว่าแล้วก็เกิดขึ้นนะสัตว์ทั้งหลายที่ทํากายยโสจิตวิจีทุจริตมโนทสจิตติเตียนพระียกเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงทุคติวิบัตินรกสัตว์ ท, ตที่ประพฤต์กายยโสจิตวิจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระียกเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เห็นหมดเลยเดี๋นี้เห็นกรรมเห็นผลของกรรมนี่ปฏิจะสมบัติเกิดเลยในตอนเนี้มองเห็นปฏิจจะมองเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของกระแสขันธธาตุอายตนะ เนี่ยรู้เกิดรู้ตายรู้เกิดรู้ตายมาจากทํากรรมอะไรเป็นยังไงเป็นต้นเหล่าเนี้เห็นหมดเลยนี่ก็เรียกจุตูปบาตยานนี่สี่ชั่วโมงนะฮะอันนี้ถ้าตามวิปัสสนาญาณเขาเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิหรือปัจจะยปริกหายาณเรียกได้สองกรณีเ น, นี่ยถ้าเป็นผู้ปฏิบัติอย่างเร า, เร า, เราท่านทั้งหลายถ้าทำญาณประนีประเภทนี้เกิดขึ้นเรียกจูรโสดาบันแปลว่าอะไร เ, เป็นพระโสดาบันน้อย สามารถปิดอบายภูมิในพบถัดไปได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระริยานะแต่เพียงว่าทําลายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพบชาติหมดเลยว่าสัตว์นี้เกิดมายังไงเกิดเป็นอะไรเป็นตัวเหล่านี้ทําลายได้หมดเพราะเห็นจุติคือการตายเห็นปฏินี้คือการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเห็นหมดมีเป็นต้นพอหลังจากตีสองถึงอารมณ์ขึ้นเนี่ยตอนนี้พระองค์ทําอะไร อาสวัคยายานทำอาสวักิเลสโอ้โหเดินวิปั ส, สนาญาณแท้ๆเลยเริ่มตั้งแต่สมม ส, สนญญาณ น, นิพิธายานมุลจิตุกรรมยตายานปฏสาานิสังขายานสังขารุเปฆายานเป็นต้นอนุโลมายานโคตรภูยานมัคคายานผลายานมิโซดาปฏิมากส ก, กัตถากายหนักๆอารหธรรมาคให้เกิดขึ้นเนี่ยวนอยู่เนี่ยนะจนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุสัพพัญญตยานแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งพุทธคุณเลยเดี๋ยวนี้ฉะนั้นตรงเนี้ยที่ท่านบอกว่า พระสพพัญยุตยานมหามหาวชิรญานปัญญาดังคาถาเพชรจานวนสองล้านสี่แสนโกดเนี่ยได้เกิดขึ้นนะควงไม้โพดิพึกเนี่ยอันนี้ก็นับเข้าในเหตุตุสัมปทาเนี่ยเป็นเหตุและนับเข้าในเหตุตสัมปทาได้บรรลุพุทธคุณมากมายเลยตัวเนี้ยนะอันนี้อรุณขึ้นพอดีก็เลยบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้คือประสบความสําเร็จแล้ว ฉะนั้นถ้ามองถึงเหตุสัมปทานนับยังไงถึงพร้อมได้เหตุนับมาหมดเลยนะทั้งทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมารปัญญาวิริยะคันติสัจอาทิธานเมตตาเวขาทั้งอุปปัมี10ลปรมัตถมารมี10 ม, มหาปริจาค้าหเที่บำเพ็ญมา 4-20 สประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัปแล้วยังมานับมหาวัชิรานทั้งหมดที่กาลังทาทั้งหมดด้วยเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเหล่านี้ ที่เกี่ยวกันในเรื่องของการทําปุพเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาสวัคยาานทั้งหลายเหล่านี้ตลอดถึงภัสสพัญยุตยานอนาวรณนายานอินทรียปโรปเรติยานมหากรุณาสมาปัติยานยมกบปฏิหาริยานเป็นต้นเนี่ยอาสยานุสยานด้วยนะทั้งอาสาธารณญาน6พุทธยาน14เวนี่ก็ทํา18เวสาลัชยานสพ่ทสัลพลายาณสิเป็นต้นเหล่านี้พยานที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในกระแสขันธ์อริยธรรของพุทธเจ้าตัวนี้อันนี้นับเข้าในเหตตุสัมปทา ความถึงร้อมได้เหตุเพราะจะชัดเจนไหมครับยากไปไหมยากไหมยากไปหน่อยนะเอาไปฟังบ่อยๆแล้วก็ไปค้นคนว้าต่อนี่นับเข้าในเหตุสัมปท า, าทีนี้ผลสัมปท า, าคืออะไรพละสสัมปท า, าถึงพร้อมได้ผมผลอ๋อนี่มีทีนี้ ปหาณสัมปทาการละกิเลสพร้อมได้วาสนาก็หมายความว่าความบริบูรณ์ทั่วทั้งหมดในการกำจัดกิเลสอันนี้เอาไะแก่อริยมรรตสี่อริยมรรตสี่อริยมรรตสี่ที่จริงไม่อริยมรรสีก่ก็มีโสดาปฏิมรรตสกาธาคามิรรตอนาคามิมรรตอัฐมรรตมรรตสี่อย่างนี้เขาเริยนับเข้าไปใน ปหานะสัมปทาโสดาปฏิมาปะหานอะไรประหานสั ก, กยะทิถิวิจิกิจฉาสี ร, ประปตะปรามาสใชปะหากิเลสกลุ่มนี้สกาธาคามิมักก็ทําราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงอนาคามิมักก็ปะหานพวกมานะเออขออภัยนะไม่ใช่มาก็กปะหานพวกกามราคะหมดเกลี้ยงเล ย, ดยเดี๋ยนี้แล้วก็โทสะอีกหมดเกลี้ยงเลยนะส่วนอารามิมักกิเลสที่เหลือทั้งหมด ประหารหมดเลยฉะนั้นประหานสัมปทาโสดาปดิมกักสกาทาคามากักอนาคารมากักอารัตมักเนี่ยประหารกิเลสถ้าจะหมดจริงๆก็ต้องอารัตมกักนี่กิเลสหมดสิ้นจากกมลขันธ์สันดานแล้วคนที่เป็นพาตอาหารแล้วกลับมาเป็นบุรุชนได้ไหมไม่ได้คนเป็นพระโสดาบันแล้วกลับมาเป็นบุรุชนไ ด, ไ, ได้ไหมไหม่ได้เห็นไหมต้องเข้าใจตรงนี้นะไม่ใช่โอ้โหวันนี้บรรลุเป็นพระโสดาบานันไปอีกวันเป็นบุรุชนไม่ได้คือเป็นพระโสดาบันแล้วจะ เป็ดอบายภูมิกิเลส ท, ที่จะเป็นเหตุนําสบายภูมิถูกละโดยสมุดเฉทประหารเขาเรียกประหารด้เด็ดขาดฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยอถ้าเป็นพระเป็นพระโสดาบันปุ๊บจะสึกไหมสึกไม่สึกพระโสดาบันเป็นฆราวาสได้ไมเออเป็นมีของของเรือนได้ไหมนางวิาสาขาขาเห็นไหมนี่นางสุชาดานี่ได้บรรูปเป็นพระโสดาบันไหม บรรลุหรือไม่บรรลุครับเอา้าใครรู้ยกมือทีนางวิสาขาเอนางสุชาดาเออาาดาข้าไปได้บรรลุไหมบรรลุเมื่อไหร่ตอนไหนเนี่ยเป็นที่จะเล่าให้ฟังก็พูดที่จริง่ตั้งประเด็นไว้คือเป็นพระธรรมทูตตอนที่พทธเจ้าไป เทศนาธรรมาจากกับปวัตนสูตรแล้วก็ต่อมาก็ไปกิณากะเทศนาแล้วก็เทสนานัตตะคณนสูตรก็ปัญญวคีทั้งหได้เป็นพระอาหารหันต์ต่อมาก็โปรดใครอีกยาศาสกุลบุตรสุภาโหปุณณชีขวัมปติพร้อมด้วยสหายใช่ไหมแต่ที่จริงก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นที่จะโปรดยาศาสใครโดนโปรดก่อนรู้ไหมหลังจากปัญญวคีได้บรรลุพระอาหารหันต์เนี่ยรู้ไหมพระนารากะเทละ ธ่า น, นาลกาเนี่ยเป็นหลานของท่านัญญากรทะยาเออไม่ไม่ใช่เป็นหลานของ อ, อสิตาดาบทเน่ยแล้วไปปฏิบัติอยู่ก่อนใช่ไหมปฏิบัติแบบโมนียะปฏิบัติเนี่ยท่านเหล่านี้มาฟังทำครั้งเดียวแล้วไปปฏิบัติเองบรรลุเลยครับแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ปฏิบัติอยู่เจ็เดือนปฏิบัติแบบอุกรฤษแล้วก็ยืนปรินิพานอยู่บนหน้าผาเลยครับเนี่ยองค์เนี่ยมีองค์เดียวในพระศาสนานี้นเนี่ยองค์เนี่ย แท้จริงเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกไว้องเนี้ยหลังจากบรรลุแล้วท่านไม่อยากจะรวมเข้ากลุ่มเข้าหมู่กับใครเพราะท่า น, า น, านตั้งตัอัตยาศัยไว้ในพระศาสนาของพระเชษฐ า, าจะมีแบบเนี้องนะทุกใครอยากจะตั้งก็ได้นะครับประเภทอย่างนี้ปฏิบัติแบบไม่ต้องการรบกวนพุทธเจ้ามากฟังพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวพอเพราะพระพุทธเจ้ามีภารกิจในการจะโปรดคนอื่นเยอะฉะนั้นตนเองต้องสร้างเหตุปจัจจัยเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเก่งที่สุดไม่ต้องเป็นการรบกวนพระเจ้ามากพระเจ้าเทศโดยย่อครั้งเดียวพอแล้วกลับไปปฏิบัติบรรลุเลย บรรลุเสร็จแล้วก็ปฏิบัติแบบอุกฤษเจ็ดเดือนตายเลยครับปรินิพานยืนปรินิพานแม้พุทธิจ้ายัางต้องไปทําศพนะพุทธิย่าพร้อมด้วยภาษาวกต้องเหาะไปทําศพนะพระประเภทเนี้ยเขาเรียกถือว่าเป็นกลุ่มไหนกลุ่มอสีติครับเนี่ยอสีติมหาสาวกจะเป็นแบบเนี้ยปรารถนาบ้างไว้เป็นสาวกแบบนี้บ้างไหมอย่างเราโหทําให้พุทธิย่าต้องเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเทศแล้วก็ไม่รู้เรื่องเทศแล้วก็ไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้คือพร้มให้พระเจ้าเหนื่อยต้องระวังนะ แล้วบอกโอ้ยต่อไปไม่ต้องการพระพุทธเจ้าเหนื่อยแล้วให้พระพุทธเจ้าเทศเพียงนิดๆหน่อยๆพูดคำสองคารู้เรื่องบรรลุอะย่างอย่างใครคนน่ะท่านพายะทาโรจริยะเห็นไหมโอ้โหเดินทางตั้งร้อยยียอดเนี่ยทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งเดินภายในคืนหนึ่งถึงเลยอ่ะไปเจอไปที่วัดปุ๊บไปถามพระพระบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ไปบิณท บ, บาตรีบวิ่งตามไปเลยอ่ะทั้งๆ ท, ที่พระก็บอกให้คอยก่อนค่อยก่อนเไม่แล้ว นี่ไปไปถึงพุทธิจ่าก็ไปประคองอัญเชลีบอกขอให้พุทธิย่าแสดงธรรมโปรดหน่ยเธอพุทธิจ่าบอกดูก่อนพายะยังไม่ใช่เวลาเดินต่อไปหน่อยสักพักหนึ่งขอให้พุทธิย่าแสดงธรรมโปรดหน่อยเธอพุทธิย่าก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาพอครั้งที่3าเดินไปสักพักหนึ่งก็บอกว่าขอให้พุทธิย่าแสดงธรรมโปรดข้าพุทธิยาหน่อยเธอข้าพระองค์ไม่รู้ว่าพระองค์จะข้าพระองค์จะตายเมื่อไหร่สองก็ไม่รู้พุทธิย่าจะนิพพานเมื่อไหร่พุทธิย่าเลยเทศเลยใช่ไหมทิฏเถทิฏธรรมตังภวิสติเป็นต้นเน่ย สุเตสตะประตังโพธิสิพูดีประโยคบรรุเลยครับบรรลุเป็นพระอทหารแตกฉานวิญญาณและนิพพานวันนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอยากไหมอยากอยากเป็นแบบนี้ไหมครับไม่ต้องให้พระเจ้าลำบากเยอะพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วเหนื่อยใช่ไหมครับนั้นสร้างเหตุปัจจัยให้ฉลาดสุดๆไปเลยแล้วก็ฟังธรรมอยู่พระเจ้าแป๊บเดียวบรรุไปเลยนี่เลยสิ้นเรื่องจะได้ไม่ต้องเป็นภาระพระเจ้าเยอ ะ, อ, ะอยากเป็นแบบนี้ไหมหรือเป็นอย่างสัน ต, ติมหามาตเนี่ย ใช่ไหมฮะสันตติมหามาที่บอกว่าเป็นพระเจ้าเป็นดินอยู่เจวันเน่ยเพราะว่าเป็นรบชนะมาพระเจ้าเป็นดินก็เลยบอกว่าให้ให้รักษาราชการแทนพระเจ้าเป็นดินโอ้ดีใจใหญ่ตอนนั้นก็คือพระเจ้าเป็นดินก็ยกนางสนมให้คนหนึ่งโอ้โหลงลักมากใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นเมาแอนทุกวันแหละกินเหล้าเมาเมาเมามีอยู่วันนึงก็นั่งคอช้างเนี่ยนั่งอยู่บนหลังช้างก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วก็ขากลับมาเจอพทะพิฆากําลังบิณฑบาตอยู่นู่นไหวพระพิฆาอยู่บนหลังช้างเมาแอนอยู่นั่นนะ โออดเพระพระพุทธเจ้าเดีนี้ตนเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วพระเจ้าก็แย้มพระโอษฐ์บอกว่าเออเนี่ยบอกปร ะ, ประชุมพิสูจสองนั้นเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าเนี้ยกลับไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้ยจะร้องไห้มาหาพระพุทธเจ้าร้องไห้นะทรมนัสอย่างรุนแรงมาหาพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมจากเกราในวันเนี้ยแล้วจะได้บรรลุวันนี้แล้วจะเหาะขึ้นไปบนอากาศนิพพานบนอากาศวันเนี้ยตายวันเนี้ยว่างั้นเถอะ พาก็ตื่นเต้นกันโอ้โหจะมีเรื่องอัศจรรย์เกิดเจ้าตัวยังไม่รู้เลยยังเมาแอนอยู่บนหลังช้างกลับไปก็ให้นางส น, นมกำนันล่ลำสนุกสนานอยู่เลยทีนี้ผู้หญิงมันมาเต้นเต้นเต้นเต้นมันกินอาหารน้อยใช่ไหมเต้นไปเต้นมาเต้นแบบอินเดียมต้องใช้แรงเยอะนะท่านเคยดูดูมันเต้นไหมใช่ไมต้องเต้นเร็วมากลองคิดดูที่ลมมันเกิด พัดขึ้นไปตัดขั้วหัวใจใจขาดตายเลยอะผู้หญิงคนนี้ปากอ้าปากค้างตายชักกระตุกกระตุกตกระตุกตายตอหน้าตกใจแล้วว่าเป็นผู้หญิงที่รักมากไงก็ให้อมาดให้ทหารไปดูเป็นไงดูที่ตา ย, ยหยาหุดตายแล้ว <c oughs> โอ้โหเล่าที่กินเข้าไปความโกรธความโศกเผาแอลกอฮอล์ในร่างกายสุดร้องไห้คิดถึงใครพระพุทธเจ้า โอ้โหไม่มีใครจะดับธมมนัทเราได้ต้องพุทธเจ้านี้เท่านั้นก็กระเสือกกระสนคานมากระเซาอกระเซิงมาผมเผาไม่หวีแล้วร้องไห้ตอนเย็นเย็นมาเฝ้าพุทธเจ้าพทธเจ้าเทศไม่กี่ประโยคบรรลุเลยครับเป็นพระอรหันต์เหาะขึ้นไปแสดงฤทธิ์เสร็จก็เผาตนเองกลางอากาศนิพพานแบบนี้ชอบไหมไม่ต้องลำบากไม่ต้องให้พุทธเจ้าลำบากเลย โอไม่มีภาระเยอะบางคนเนี่ยโอ้ยบอกแล้วเอาไม่รู้เรื่องอีกแล้วบอกแล้วก็ไม่รู้เรื่องบอกแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรืออยากเป็นแบบนี้ไหมในพระเจ้าจะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพายยะทารุจริยะไม่ทําให้ตถาคตลําบากเลยสันติมหามาตไม่เคยทําให้ตถาคตลําบากเลยอย่างนี้เป็นต้นนอกนั้นโอ้ทาให้ตถาคตลําบากเลยเจอเจอหน้ากแล้วมาโห้ บอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกบอกีอกก็ไม่รู้เรื่องพวกเราจะเป็นกลุ่มไหนเนี่ย <'t> <c oughs> เป็นเป็นกลุ่มไหน <c oughs> <c oughs> เป็นพวกเราเป็นพวกชอบทรามานให้พุทธเจ้าลาบากใช่ไหมหรือไม่ต้องการให้พุทธเจ้าลําบากเอาประเภทงั้นถ้าเจอพุทธเจ้าร coat, ประกาศเลยค่ะแต่พระองค์พระเจริญเหมือนเนี่ยเหมือนภาษาลิบทสังเกตไหม ภาษารีบุตรเจอพระสัชิอ่ะพระสัชิต้องการถามว่าพบท่านเป็นศิษย์ของใครใครเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ท่านสอนคสอนว่ายังไงคือต้องการอยากจะรู้คำสอนพระสัาาชิบอกว่าดูกอ่อนบอกว่าอุปติสากเราเป็นผู้ใหม่ในพระธรรมวินัยนี้เราไม่สามารถจะกล่าวพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้อย่างวิจิตบัรจงและกว้างขวางได้ ปุติษาบอกว่ามากหรือน้อยจะมีประโยชน์อะไรว่างั้นเถอะท่านอาจารย์ไม่ต้องลำบากคือเพียงแต่กล่าวโดยย่อเท่านั้นส่วนการไปขยายเป็นหมื่นในแสนในเป็นล้านในมันเป็นหน้าที่ของผมเองนี่ชัดไห อ, อภาษารีบบทเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องไปพูดยาวหรอกพยัญชนะมากจะมีประโยชน์อะไรว่างั้นเถอะพูดแต่โดยย่อแค่นี้ยผมเข้าใจผมสามารถขยายเองได้พวกเราเป็นอย่างนั้นไหมครับ ถ้านอาจารย์ไม่ต้องลำบากพูดยอ่ยอๆแค่นั้นส่วนจะไปขยายเป็นพันในหมื่นในเป็นแสนในเป็นล้านล้านในเนี่ยผมไปขยายเองก็อย่างเงี้ยสบายเลยใช่ไหมสำคัญไปอย่างนั้นเองที่พูดแล้วจําไม่ได้ก็อีกอย่ยว่าแต่นั้นเลยยังจําไม่ได้เอ๊ะเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรไปก็ไม่รู้อย่าว่าแต่จะเอาไปเข้าใจเลยแค่จะจําก็ยากเลยใช่ไหมครับเนี่ยคนที่เขาสั่งสมเหตุปัจจัยมาเยอะนี่เป็นแบบนี้ ฉะนั้นคําว่าเหตุปะหานสัมปทานในถึงพร้อมด้วยการละนเนี่ยถ้าพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ละกิเลสอย่างเดียวละวาสนาด้วย เ, เข้าใจคําว่าวาสนาไหมครับวาสนาแปลว่าอะไรไอ้เรามันวาสนาน้อยอะ่ะเคยเคยได้ยินไหมเออภาษาไทยกับภาษาบาลีมันคนละอย่างกันนะท่านคิดว่าท่านเป็นคนมีวาสนาไหมมีไม่มีวาสนาน้อยหรือวาสนามาก Huh? วาสนาเนี่ยไม่ใช่แปลว่าน้อยอย่าไปคิดว่าน้อยมาวาสนาเขาแปลว่าความเคยชินอย่างมีพระรูปหนึ่งที่ท่านเป็นพระทหารท่านละวาสนาไม่ได้แต่กิเลสละได้แต่ตัววาสนาละไม่ได้ชื่ออะไรนะที่ชอบพูดว่าไอ้เจ้าค้นถอยคือพูดหยาบๆมาชื่ออะไรนะจำได้ไั้ยคือท่านเคยเกิดเป็นพรามมาตั้งห้าร้อยชาติ มาชาตินี้ท่านเลยมีอัจยาศัยชอบพูดข่มคนอื่นเวลาจะพูดแต่ละคําแต่ละคํามาจะใช้คําว่าไอ้ถอยไอ้ถอยเหมือนคนบางคนในปัจจุบันขออภัยนะเวลาจะพูดเรียกใครเฮ้ยไอ้เฮียขออภัยเยอะใช่ไหมติดเลยนะคำคเนี้ยพูดให้เฮียเฮ้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะจ ะ, จะพูดแบบคําหยาบๆหรือไอ้ฮาอะไรเงี้ยนะนี่เหมือนการท่านขนาดบรรลุปเป็นพระอรหันแล้วราคาโทสศโมหะหมดสิ้นจากกำมลสันดานจากกระแสความคิดแล้ว แต่ไอ้ความเคยชินแบบหยาบๆบเนี่ยมีอยู่เจอหน้าไอ้ไอ้ถอยคุณไปไหนมาทุกคําจะออกคําว่าไอ้ถอยไอ้ถอยอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าศาสนาครับหรืออย่างภาษารีบุตรเนี่ยละกิเลสได้แต่ละวาสนาไม่ได้ความเคยชินในการกระโดดเงี่ยนะอย่าเนี่ยนะอยนนะพอเห็นเห็นอะไรกว้างๆหน่อยรู้สึกมันอยากจะกระโดดเงี้ยนะเนี่ยไอ้อัธยาศาัยเคยสั่งสมมาเป็นสัตว์ เป็นลิงเป็นไรอว่าไปเหออแ ล, ล, ล้วหละยวาสนาเหล่านี้บุคคลที่จะละกิเลสด้วยและวาสนาด้วยมีอยู่จำพวกเดียวครับสัมมาสัมพุทธะเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่บอกว่าถ้าในในเวนิกรธรรมสิบแปดเนี่ยที่บอกว่า อตีตังเสพุทธะาพักวโตอภิเตตังยานางอนาคตังเสพุทธะจ่าพวัดโตอภิเตตังยานงปัจอเนตังเสพุทธาพัวโตอิเังเนี่ยบอกว่าอตีตังเสพุทธะจ่าบอกว่าสัพพังกายกรมมานปุพพังกรมมังยาานุปตังสัพพังวจีกรมมงยานปุพพังกรมมังญาานุปตังสัพพังมโนกรมมังาะปุพพังกมมังยานานุปรังตังบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเวลาจะเคลื่อนไหวพระวรกายก็ต้องมีญาณปัญญานาหน้าไม่มีเลยนะนั่ง ไม่มีเวลาจะกระดิกนิ้วจะกระดิกขาจะกระดิกอะไรต่างๆก็แล้วแต่จะต้องมีญานะหรือปัญญาณ น, นำทุกครั้งแมจ้จะกระพริบตาแต่ละครั้งก็ต้องมีพยานนำแม้จะเอื้อมจะเคลื่อนไหวจะพระวรากายทุกครั้งเนี่ยแม้จะกระดิกมือกระดิกเท้าเดินไปนั่นที่ไหนต้องมีเหตุแม้จะแย้มประโอสถสังเกตดุไหมว่าพระพุทธเจ้าเสดตําเนินไปไหนอ่ะเวลาเดินเสด็ตําเนินไปข้างหน้าพระนนนทตามเสด็จเป็นปัชชาสมานะเนี่ยตามไปเนี่ย เวลาพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์ปุ๊บก็จะมีทัศโนพาดออกจากมองพระเก้ยวแก้วใช่ไหมครับวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็เวียนเป็นทักษิณาวัตเป็นลำแสงเลยนะครับลำแสงเวียนไปเป็นทักษิณาวัตแล้วก็วับหายไปเล ย, ยงี้เพต้นพระนนท์ก็จะรู้ทันทีพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์อย่างยกตัว อ, อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปตรงกรุงรัชคลีเนี่ย ดำเนินไปพระเจ้าก็เดินไปด้วยแล้วก็แย้มพระโอษฐ์พระนนท์ไปข้างหลังก็เห็นทัศโนภาสเท่าล้ำตาเ น, นะครับวนวนวนเป็นทักศนวัตรสามรอบปุ๊บพระนนท์ก็กราบทูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระบรมศาสดาทรงแย้มพระโอษฐ์ด้วยเหตุอะไรเนาะแหลพระเจ้าก็ชี้ไปว่าดูก่อนอานอนท์สถานที่ตรงนี้พระกัปสปะสัมมาสมัสมพุทธเจ้าเคยนั่งประทับหนะ้าที่ตรงนี้นะแล้วก็เคยตรัสเรื่องคติการะโชติปาระอย่างนี้เป็นต้นพระนนท์ก็รีบปูรานอาสนะที่ตรงนั้นแหละ แล้วก็ราชนาขอให้พระพุทธเจ้าจงนั่งประทับเธอะที่ตรงนี้จะได้เป็นประวัติศาสตร์มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์เคยนั่ง<笑>นี่เป็นตน้นพพระพุทธเจ้านั่งในชีวิตตรงนั้นก็เล่าอาดีตให้ฟังเลยว่าพระพุทธเจ้าสมัยนั้นตรัสรู้เป็นพระกัสสปะสามาสาวุตรเจ้ามีใครเป็นอค拉าสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเป็นยังไงพระพุทธเจ้าหมุนกองลอ้อทำมาจากให้เป็นไปอย่างไรแ ล, ล้วโปรดคติกาล่าให้เป็นผ้านาคาบวดโชติปาระเนี่ยให้เข้ามาบวชแล้วก็บรรเทาบารมีโชติปาระก็คือเราในขณะนี้เองนี่เป็นต้นเนอตนคื คือลักษณะของการที่ว่าพระพุทธเจ้าเวลาแย้มพระโอสถการแย้มพระโอส์ไม่ใช่อยู่ๆก็หัวเราะเล่นอย่างพวกเราไม่มีเหตุเคยเป็นไหมครับพวกเราเนี่ยเห็นอะไรบางทีมดวิ่งผ่านก็ยิ้มตามยิ้มทําไมไม่รู้ขํำๆไปงั้นแหละไม่มีนึกอะไรไม่มีเหตุการอะไรว่างั้นเลยบางที่อยู่คนเดียวอ่ะเคริ้มๆหัวเราะไปงั้นแหละไม่มีนะพระุทธิย่าจะไม่มีแล้วพุทธิจ้าเวลาจะขยับขยืน่นเคลื่อนกายก็มีเพราะพยานนาหน้าจะพูดจะจาจะอะไรต่างก็มีพยานนําหน้าแม้จะคิด ไม่มีเพลินๆอย่างพวกเรานี่คิดมั่วใช่ไหมครับจะมียานนะหรือปัญญาณ น, นำทุกกระบวนการความคิดหมดนี่คือความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้านะครับอาเวนีิการทำพวกเนี้ยเป็นธรรมที่มีเฉพาะพระุทธเจ้านะครับนี่แบบเนี้ยอย่างพวกเราเผลอเลยอยู่เรื่อยแล้วพระุทธเจ้ามีอัธิยาสัยชันท่ไม่เสื่อมความรักความแ ก, กล้าความปรารถนาในการที่จะทําสิ่งดีๆไม่เสื่อมค่อยอย่างพวกเราเสื่อมเป็นระยะระยะไหมเฮ้ยอยากทําดีสักพักหนึ่งหดหูซะแล้วเว้ยอยากทําดีหดหูเนี่ย แล้ธรรมเทศนาก็ไม่เสื่อมเวลาพระุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยเป๊ะเลยครับแสดงธรรมวันแรกธรรมาจักรกับวัฒ น, นสูตรคําไหนเท่าไหร่กี่ประโยคอย่างไรวันสุดท้ายก็สามารถแสดงได้เท่านั้นไม่ใช่เออเมื่อวานนี้พุทธเจ้าพูดแตถาคตพูดอะไรไปไม่รู้ลืมแล้วเนี่ยวจะไม่มีนะเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องอะไรครับลืมแล้วอย่างนี้เนีไม่มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพรัพระธรรมเทศนาพุทธเจ้าจะไม่มีเสื่อมแต่พวกเราเนี่เสื่อมครับ แป บ, บเสื่อมหมดแล้วก็พูดไม่ไม่เหมือนเดิมด้วยไอ้ที่เนี้ยพูดรับปากพูดไปอย่างนี้เลยนะประโยคนี้เลยนะกลับมาพูดอีกทีไปคนละเรื่องเลยตอนเนี้ยลักษณะนี้เลอะเลือนมากพระเจ้าไม่มีเสื่อมฉันท้าไม่เสื่อมแล้วก็พระธรรมเทศนาก็ไม่เสื่อมแล้วก็สมาธิก็ไม่เสื่อมป่วยขนาดไหนก็ไม่เสื่อมครับเข้าสมาธิได้ทุกระดับแล้วก็ความเพียรก็ไม่เสื่อม ไม่ใช่ว่าโหยตอนนี้แกล้วกล้าอย่างให้สังเกตด้วยนะตอนที่พระธจ้าเสด็จดำเนินจากเวสาลีในพรรษาสุดท้ายเห็นไหมมาตั้งแต่ประทับที่ที่ไปพอปองพระชนมยุทสังขารที่ปาวาและเจดีใช่ไหมหลังจากนั้นพระเจ้าก็จะออกจากเวสาลีมาช้ำภูคามอัมพูคา ม, พคาม์โพน ค, ครไล่มาตามลําดับจนถึงปาวานครจากปาวาก็เข้ากุสินาราเนี่ยเห็นไหมว่าเวลาดำเนินไปทั้งๆที่ป่วยแทบแย่แล้วเหมือนกับเทน้ําออกจากกระบอก พวกรากายนี่แทบจะไม่ไหวพวกองค์ก็ดําเนินไปตลอดไม่บอกว่าโอ้โหสงสัยเดินไม่ถึงแน่ช่วยหามเราหน่อยไม่มีนะพรทธิจ้าจะไม่มีเนี่ยลักษณะนี้เป็นความเพียรความเกล้ากล้าอาถรรพ์มากพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระเทวทัตกลิ้งก้อนหินจากเขาคิชกูใช่ไหมไปกระทบแล้วก็หินเน่ยสเกตหินกระทบพระบาทของพุทธิจ้าห่อพระโลหิตตอนนั้นที่บอกว่าสาวกพุทธิจ้าพากัน หาพระพุทธเจ้าลงมาเบ็ดเสรจก็กองกำลังของพระรวมเป็นหูต้องเป็นพันรูปพากันสวนสนามเหมือนสวนสนามคอยป้องกันนะ่ะยันพระเจ้าเรียกประชมเรียกประชมบอกว่าดูก่อนพิสษุทั้งหลายบุคคลใดไม่สามารถทำให้ทาอันตรายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบุพระุทธเจ้าจะไม่ปรินิพานด้วยความเพียรพยายามของบุคคลอื่นนี่คือความหัสจันนะครับ ฆ่าไม่ตายนะพุทธิจ้าเนี่ยพุทธิจ้าจะปรินิพานด้วยความเพียรของตนเองเท่านั้นปรินิพานด้วยตนเองจะไม่ปรินิพานด้วยความเพียรพยายามของคนอื่นยันพระเทวทัตยพยายามขนาดไหนสําเร็จผลไหมไม่สำเร็จผลเวลาเราศึกษากรณีแห่งการที่พระเทวทัตโอ้โหแอบลอบอปองประชนพุทธเจ้าโอ้โหวิจิตวิญจงมากไ ม, ม่เวลามาเล่านะถ้าเล่าเราจะรู้โอ้โหขนาดนีพททนด้พระเทวทัตเนี่ยฉลาดมากพระเทวทัตนี่ยวางแผนเป็นสิบหกชั้น 32บสองชั้นนะในกรณีกลัวทีตลตลตลล่กลัวความผิด จ, จะถึงตนเองเนี่ยมีการวางแผนยังไงวางระบบยังไงให้นายขมังธนูแต่ละจุดแต่ละจุดไปยืนไปยืนยังไงแล้วฆ่าคนที่หนึ่งที่สองที่สาเป็นต้นยังไงเป็นต้นเหรอเนี้ยน่นตรงนี้แหละคือพระพุทธเจ้าเนี่ยความเพียรก็ไม่เสื่อมสมาธิก็ไม่เสื่อมญาณปัญญาก็ไม่เสื่อมถอยนี่เป็นต้น และการบรรลุการหลุดพ้นแล้วก็ไม่กลับมากลายมาเป็นบุรุษชนอีกนี่คือความมหัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเราทั้งหลายก็จะต้องเข้าใจว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยเราได้พระบรมาสารีราที่สุดยอดขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดแต่สาวกยุ่นยุคหลังเนี่ยสุดแย่นี่ไม่ดีเลย <laughs> โอ้โหมหาคุณอะไรก็ไม่ค่อยมีเล ย, ยเนี๋ยวน มองไปที่ไหนโอ้โหแท้จริงสามารถจะสร้างให้เกิดได้นะครับแต่โดยมากเราไม่ค่อยเพียรพยายามจะทํากันมองไปนีแย่หมดทุกด้านเลยนี่ปัญหาหน้าสัมปทานนะครับญาณสัมปทานนะหมายถึงสัพพัญญุตยานานาวรณญญาญเป็นต้นจนถึงพระทศพลายาน พ, พระทศพลายานสิบมีอะไรบ้างพอรู้ไหมฮะฐานาฐานญยานพุทธเจ้าเนี่ยรู้จักฐานาและฐานะเช่นนะครับเอาสักข้อเดียวพอแล้วไม่อธิบายทั้งหมด เพราะไม่ได้มาเจาะรายละเอียดตรงนี้พระเจ้าเนื้อรู้จากฐานะเช่นพระโสดาบันจะไม่ทํามาตุคาตปิตุคาตอรหิตุบาบาสังฆเภทอย่างแน่นอนนั้นคนบนโลกเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่พระโสดาบันจะไปฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระรหารทําร้ายพระเจ้าหอบประหิตและทําสังฆเภทแต่ปุถุชนเป็นไปได้ที่ปุถุชนจะทํามาตุคาตปีตุคาต โลหิตบาสสังฆเพทนะแล้วก็อาลัยตะฆาตเป็นต้นฉะนั้นถ้ามองมาที่เราปุ๊บเราเป็นพระโสดาบาันหรือเป็นปุถุชนมีโอกาสฆ่าพ่อได้ไหมฆ่าแม่ได้ไหมฆ่าพระทหารได้ทําร้ายพุทธเจ้าให้หอบพระโลหิตก็ได้แล้วก็ทําสังฆเพทก็ได้ฉนั้นต้องระวังนะปุถุชนเนี่ยเป็นเป็นฐานะที่เป็นไปได้ถ้าไม่ระวัง เช่อไหมอย่างพวกเราสามารถจะทํากรรมสังเกเพศได้นะเป็นพราเนี่ยเราสามารถที่จะไปยุ้ยงในพราแตกกันแล้วก็ไม่ลงสังกกรรมร่วมกันเนี่ยเราทําได้จริงๆนะข้อนี้ยเพราะเป็นบุรุชนแต่ถ้าคนเป็นรวสวดาบันเขาปลอดภัยแล้วครับข้อนี้แต่กรรมประเภทเนีเ้ถ้าใครไม่เชื่อลองทำดูสิครับไอ้กรรมประเภทเนี้ถ้าใครไม่เชื่อว่าเอ้ยเป็นไปได้หรือแผ่นดินสูบเนี่ยกูไม่เชื่อลองว่างั้นลองทํำดูทีลองทํากรรมสังเกเพศดูที่ครับลองทําตั้งใจทําเลยนะ อยากจะพิสูจน์ว่าพระดำํำรัตน์ของพระเจ้าเนี่ยหนึ่งไม่มีสองจริงไหมลองอยากพิสูจน์ไหมครับลองดูที่ว่าอยากจะเห็นจริงๆเอแผ่นดินสูบเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่างนั้นนะอย่าลองทํามันดูทีกวางนั้นเธอเอาวที่มันยังมีเหตุที่จะทําได้อยู่นะ ย, ยาณนะสัมปทาหมายถึงสัพพยุจญาณและพระทศวรรยานสัพพยุจญาณ น, นี่ก็คือพยานที่ไม่รู้ทะรูทะลวงโลกอาทาห์ทั้งสิ้นนะครับคำว่าสัพพยุจญาณเนี่ย โลกธาตุมีเท่าไร่สพญตยานก็มีเท่านั้นสามารถเจาะทะลุททวงโลกธาตุทั้งสิซนอนุภาวสัมปทาคือความถึงพร้อมได้ศีลคุณและอำนาจฤิธอนุภาพที่ไม่อาจจะคาดได้นี่อนุภาพตอนรูปากายสัมปทานี่คือประดับิเดียมหาโพริสารขนาะสามสองมกรและนุปญชนาแปนี่เป็นเป็นรค ป, ปรกายสัมปทาถึงพร้อมคนที่จะเป็นพุทธิย่าได้ต้องมีนเนี่ยลักษณะตรงนี้ถ้าคนมีลักษณะ มหาพุทธิสารขนาดสามสประการและนุพระานาแปดิบเ 80, นี่ยมีคติสอย่างที่บอกถ้าเราเรียนรู้พวกนี้มาดีอ่ะแล้วก็ฝังแน่นไว้ใ น, ในกระมวลในกระแสความคิดเลยเราไปเจอพระรูปของพระพุทธเจ้าเมื่อใดก็จะรู้ทันทีเหมือนภาษารีบุตรนะครับตอนที่ท่านเป็นดาบทมีอยู่ชาติหนึ่งตอนที่ท่านเจอพระอโนมุมัติสีสัมมาสามัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับตอนนั้นมีลูกศิษย์ตั้งเจ็ดพันคนเป็นเป็นกลุ่มฤาษีเหาะได้หมดเลยนะ มีวันหนึ่งก็พาลูกศิษย์เหาะมาไปเจอพระพุทธเจ้าเข้านิโรธาสมาบัตดอยู่เหาะลงมาเห็นปุ๊บท่านก็ตกใจทันที ท, ทั้งทั้ที่ตอนนั้นไม่ได้พูดกับพระพุทธเจ้าว่าเห็นพระรูปเนี่ยแล้วแล้ ว, ลวท่านก็ตลกตะลึงแล้วก็ประกบปนมอัญชลีกราบไหวบูชาอยู่ลูกศิษย์ก็ถามว่าอาจารย์ระหว่างท่านพวกนี้ที่นั่งนิ่งๆอยู่เนี่ยกับอาจารย์เนี่ยใครเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ากันโอ้โยบอกภาษารีบทในในยุคนั้ น, นะอะอดีตท่านท่านก็บอกว่าท่านเอาอะไรมาพูด ท่านจะเอามเมล็ดกรวดมเมล็ดหินเล็กๆไปเทียบเขาเทียบเท่ากับขุนเขาสนเนรุไม่สมควรเลยว่างั้นนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ทันทีทั้งๆ ท, ที่ไม่มีใครบอกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเป็นคนที่ศึกษาลักขณะสูตรมาดีมหาโพธิสรักษณะมาดีจนฝังแน่นในกระแสของความคิดแค่เห็นก็รู้แล้วว่าท่านผู้นี้คือพระพุทธเจ้านั้นอยากให้เราศึกษาคําสอนพระเจ้าจนถึงขนาด น, นั้น จนถึงว่าเมื่อเห็นแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาบอกใครเราเลยว่าท่านคนนี้คือใครนะครับรูปประการสัตว์ตูประการสัมปทานี่ประการที่สานิ่พยานที่สา ม, าสามถึงพร้อมด้วยการอนุเคราะห์เหล่าสัตว์มีสองประการนะอาสยะสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยอัธยาศัยที่เกือ้อกูลเสมอในเหล่าสัตว์ผู้ประทศรายมีพระเทวทัศเป็นต้นเห็นไหมสัตว์ที่ประทุศรายพุทธิย่าไม่ว่าจะเป็นานางจินเจมานวิกาพระเทวทัศน์และมีกลุ่มพรามอีกเยอะ นะกลุ่มบุคคลที่คิดมาทุจร้ยายพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าก็มีใจอนุเคราะห์และประโยคาสัมปทาก็คือความบริสุทธิ์แห่งความเพียรในการแสดงพระธรรมเทศนาไม่ได้เพ่งเล็งลับส ก, การ์ละเวลาพรุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมให้สังเกตดูทีพุทธเจ้าจะมีอัธยาศัยที่บริสุทธิ์ไม่มีแอบแฝงไม่ว่าจะไปแสดงธรรมโปรโดใครก็แล้วแต่จะโปรโดคนเดียวสองคนหรือมากมายยังไงก็แล้วแต่พระอัธยาศัยในการเพียรพยายามนั้นเป็น เป็นความเพียรที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเป็นความเพียรที่บริบูรณ์นะครับซึ่งมันต่างจากเราทั้งหลายนะว่าเราไปแสดงธรรมบางทีเราก็อวดอยากจะอวดความรู้ตนเองบ้างอยากจะอวดความสามารถบ้างอยากจะโชว์บ้างอะไรบ้างใช่ไหมไอความรู้สึกตรงนี้ไม่บริสุทธิ์นะครับดงนั้นพยายามจะว่าเออพระเจ้าแสดงธรรมด้วยความบริสุทธิ์หมดจดแม้ชั้นใดก็ให้เราเนะี่ยวางอัธยาศัยของตนเองแบบนั้นเวลาจะกล่าวพระธรรม ให้เคารพทำมากจริงๆอย่าไปแสดงความเห็นของตนเองให้คําสอนว่ายังไงว่าไปตามนั้นเลยครับนั่นแหละจะเป็นการปกปังอัธยาศัยนี่พระเจ้าก็จะมีอย่างเนี้ยมีทั้งเหตุสัมปทาพระสัมปทาและสัตตูปการรสัมปทาก็บริบูรนแบบเนี้ยนั่นความเป็นพระเจ้าก็มีสัมปทาทั้งสาประการทั้งเหตุทั้งผลทั้งสัตว์ตูปการรสัมปทาโดยเฉพาะสัตว์ตูปการสัมปทาเนี่ยความเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการแสดงพระธรรมไม่ว่าจะเป็นพระราชา ม, มาเมมาเสถียรมาสถีหรือยาจกไว้นิพกเอาอย่างยกตัวอย่างครั้งหนึ่งดีกว่ามีตอนสมัยที่พระเจ้าประทับอยู่ที่เชตาวันใช่ไหมครับตอนนั้นพระเจ้าดำบริว่าจะจาริกไปจาําภาษาอื่นในครั้งนั้นน่ะอนาถาินิกาเสถียีนิมนต์พระพุทธเจ้าก็มาอยู่แล้วก็นางวิสาขาตลอดถึงพระเจ้าไปดินคือพระเจ้าเปรตที่โกรศ อราธนาพระเจ้าก็ไม่อยู่พอดังเดินออกไปแล้วเนี่ยมีนางปุณณาทาสีซึ่งเป็นคนใช้ของท่านวิสาขาในอาาถาอราธนาขอยพระเจ้าจำมรรษาอยู่เถอะพระเจ้าหาันมาดูก่อนปุณณะทาสีเธอมีอะไรก็บอกว่าถ้าพระเจ้าจำมรรษาเธอจะสมาทานอุโบสถและจะฟังธรรมทุกวัน พระเจ้าอยู่เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เห็นแก่ว่าไม่ได้เห็นแก่บุคคลในพุทธเจ้าเคารพอะไรเคารพธรรมนั้นมีธรรมสูงสุดมีธรรมเป็นใหญ่อย่างพวกเราคนจนๆ น, นิมนอย่างนั้นกับคนรวยนิมนตเราจะเก่งใหญ่ใครเห็นไหมเนี่ยเราจะเอาบุคคลเป็นใหญ่แต่ไม่ได้เอาธรรมะแต่เนี่พุทธเจ้าจะมองถึงว่าใครจะเข้าถึงธรรมได้พระองค์ก็จะอยู่อนุเคราะห์ท่านบุญ น, นี่คือความบริสุทธิ์ในการกล่าวพระธรรมในการแสดงธรรมนะครับนี่เป็นอย่างนี้ นี่กล้หมดเวลาแล้วเสร็บมองสิบนาทีมีใครจะถามอะไรไหมมีไหมครับโหวันนี้อ่าอ่าอืออืออือ เออตรงนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระบรารมีอย่างนี้เวลาพระองค์ทรงสเสด็จดำเนินไปเนี่ยถ้าที่เป็นหลุมเป็นบอ่อก็จะโนนขึ้นมารับระบาทถ้าที่ที่สูงก็จะยุบลงตอจอมปวกต้นไม้จะหลบหลีกหนามก็จะมุดลงแผ่นดินตะปงตะปูทั้งหลายอย่างเงี้ยเออ กุศลเหล่านี้มาจากอะไรกุศลเหล่านี้มาจากที่ทรงแผ้วฐานทางให้เป็นที่เสด็จดำเนินของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆและพระฐานศสาวกนะครับนั้นคนทําเหตุปัจจัยตรงนี้มาอย่างมากมายเมื่อคนทําเหตุปัจจัยตรงนี้มาอย่างมากมายแล้วเมื่อเป็นพระพุทธเจ้ากรรมตรงนี้ก็จะเป็นเหตุทําให้เสด็จดำเนินไปณที่ไหนเนี่ย ที่หลุมๆเป็นบ่อทั้งหลายก็จะนูนขึ้นที่ตรงไหนนูนก็จะยุบลงและถ้าเป็นอิดเป็นหินเป็นปูนทั้งหลายก็จะหลบลงใต้พื้นอุจจลับปัสสาวะทั้งหลายจะไม่ไม่เอย่างพวกเราเป็นยังไงครับกรรมประเภทนี้ดีไหมนั้นพยายามทําเหตุตรงนี้ให้มากนะครับสร้างเหตุตรงนี้ให้มากแผ้วถางทางรู้ว่าที่จงกรมของพระที่พระจะเดินบินทบาทอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น สถานที่พุทธเจดีทําให้เกลี้ยงคนก็จะได้ไปเดินไหว้พระพุทธเจ้าทําไปเถอะครับ <_ an> เหตุปัจจัยตรงนี้ทั้งกว่าทั้งปัดทั้งถูทําบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ฐานะนั้นได้ฐานานั้นเ <_ an> มื่อบุญหรือเมื่อกุศลนั้นเต็มกําลังของกุศลเต็มบริบูรณ์เมื่ อ, อไร่เราไปท่าที่ไหนเราก็จะสะดวกสบายถึงอันนี้ทั้งทั้งหมดอันนี้มันมีเหตุ ป, ปัจจัยมาแบบนี้อา้าวว่าไงครับ อันนี้ไม่ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกอาณาถาที่เป็นคำพีหลังๆที่กล่าวไว้นะครับในอนาคตาวงในอนาคตวงที่กล่าวเข้าไว้นั้นก็มีคมพีรที่รุ่นหลังมาอีกทีหนึง่งแต่ก็เป็นเหตุที่ศึกษาได้นะครับเป็นข้อมูลได้ที่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสอีกสิบใช่ไหมครับประมาณสิบพระองค์แล้วก็บอกถึงใครที่จะมาตรัส เริ่มแต่ภาษียาเมตายที่พูดไว้ตรงๆเลยพยากรณ์ตรงๆเลยก็คือภาษียาเมตายครับเมตายาพุทธเจา้านอกนั้นกล่าวไว้ในคัมภีร์นาคตวงศ์อะไนี่ยไม่ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกอกาตถานะครับอยู่ในถ้าจะจัดอนาคตวงศ์ก็คงจัดอยู่ในชั้นของก็เป็นอนุดีกานะครับหรือว่าเป็นระดับคันถี่อะไรก็ก็ชัดได้ครับเป็นเหตุผลก็เหมือนคัมภีรสัมภารวิบาก พอเราเทียบเคียงแล้วมันโอเคครันะเทียบเคียงแล้วก็สามารถที่จะได้เหตุได้ผลได้ฉะนั้นการศึกษาคําสอนเนี่ยบางทีเมื่อเราไปศึกษาแล้วมันมีเหตุผลฟังดูแลเนี่ยสอดคล้องกับพระตรีพิตรอัตถกถาดีกาก็ใช้ได้หมดครับฉนะนัน้นสอดคล้องได้ไม่ไม่ไม่เกินความจริงสักเท่าไหร่นะอันนี้เราก็สามารถศึกษาเป็นข้อมูลความรู้ได้อามาศึกษาเพื่อจะยังศรัทธาให้เกิดขึ้นจากการเลิกถึงคุณของพพุทธเจ้าได้ ว่าไงเนี่ยก็คืออย่างนี้เวลาต้องเข้าใจพระพุทธเจ้านะพันนามเนี่ที่จริงคำว่าภระขาวาพรวาเนี่ยเป็นเนมิตรตกานาม เป็นวิโมกขันติกานามและสัชิกาบัญญัติคาว่าพักขาวาเนี่ยเป็นคําที่ประเสริฐเป็นคําร้องเรียกบุคคลผู้ประเสริฐอันได้แก่พระพุทธเจ้าผู้วิเศษได้คุณใ น, นสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงนะเป็นบรมครูประกอบไปได้วยคุณคือความเป็นควรยอดเยี่ยมเนี่ยกว่าครูทั้งปวงทีนี้ ในพัฒนาในการตั้งนามอย่าง ย, งยกตัวอย่างเช่นอวัติกันามก็หมายถึงนามที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยการช่วงการเวลาเช่นวัดโชที่แปลว่าลูกโคทำโมทีม่แปลว่าโครุ่นพริพัฒน์โธแปลว่าโคถึกนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ตั้งไปตามการเวลาที่เขาเกิดมาไวัยไหนไวัยไหนใช่ไหมครับถ้าลิงคั้กกันนามก็คือ น, นามที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยสิ่งที่เป็นเครื่องสังเกตเช่นคันดีก็หมายความว่าคนมีไม้เท้าฉัด ตีก็คนมีร่มเนี่ยก็ตั้งไปตามที่เขาถืออะไรมีอุปเครื่องหมายอย่างไรท่าเนมิติกานามก็คือนามที่ตั้งโดยสายคุณธรรมคุณสมบัติเช่นศีราวาผู้มีศีลเตวิโชโผู้มีปัญญามีวิชาสามนี่ไปด้วชระพินโยมีปัญญาหกแต่อาทิจ่าสมมต ป, ปัณณ น, นามนามที่ตั้งขึ้นมาร่อยๆก็คือตั้งขึ้นมาโดยความชอบใจเนี่เป็นการบัญญัติขึ้นไม่ได้สนใจในความหมาย พระ น, นามของพระเจ้าที่พระควะเนี่ยเป็นเนมิตกะนนามเป็นพระ น, นามที่ทรงไว้โดยอาศัยคุณธรรมคุณสมบัติของพระ อ, องค์จริงๆแต่นี้คำว่าพระคาวะพระผู้มีรภาคเนี่ยทีนี้การที่เราจะเฝ้าพระเจ้านะครับการที่ไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยอะไรที่เป็นปัจจัยเมื่อเราไปแล้วไม่สามารถยังสรดท้ายตั้งขึ้นได้หรือได้ไม่ดีพอเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้า เหมือนพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่บอกว่าบรรลุสัพพยุตัยานได้บรรลุอาสวะขย้ายานแล้วเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้พอถามคําว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรเป็นพุทธเจ้าเนี๋ยใช่ไหมครับอย่างเจ้าชายเศรษฐะใช่ไหมท่านแต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเนืตอนอยู่ในคลองเรือนก็ไม่ได้พุทธเจ้าในขณะที่บําเพ็ญทุกขกรรมยาอยู่ก็ยังไม่เป็นพุทธเจ้าเ ป, เป็นเพียงพระมหาบุรุษใช่ไหมครับ การที่ได้เป็นพระเจ้าก็เพราะว่าตอนที่มาบาเพ็ญเพียรจบแล้วก็มาเดินวิปัสสนาเดินสมถาวิปัสสนาญาณอย่างถูกต้องยังวิชาสามคือปุเพนิวาสานุสติญาณให้ตั้งขึ้นตอนนั้นเป็นพระเจ้าหรือยังยังพออยังมัชิมยามยังจุตูปปาตาญาณให้ตั้งขึ้นตอนนั้นเป็นพระเจ้าหรือยังอ่ยังอีก พออาสวัคยายานตั้งแต่ตีสองยันสว่างโดยเฉพาะอารุณขึ้นบดีก็ทําอรหัตมรักษายานให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่ประชุมของพยานอย่างมากมาย mm. เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองปุ๊บพยานมีพระสัพพัญญุเตยานพยานที่แทงตลอดโลกธาตุทั้งสิน้นอนนาวรณญานพยานที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางกีดขวางได้ อินทริยปรปรียติยานยานปัญญาที่แทงตลอดอินทรีย์ของเหล่าสัตว์รู้ความอ่อนความแก่กล้าของอินทรีย์ของเหล่าสัตว์ได้อาศยานุสยายานพยานที่รู้อาศัยอัธยาศัยอนุสัยของเหล่าสัตว์ว่าสัตว์เหล่านี้มีการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมากหรือน้อยอย่างไรเป็นต้นแล้วก็มหากรุณาสมาปัฏิยานก็คือพยานที่รู้มีพระมหากรุณาธิคุณกับเหล่าสัตว์ว่าไปโปรดสัตว์เหล่านี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นแรงผลักดัน การที่เราเข้าใจพยานเหล่านี้อย่างมากเพียงพอแล้วก็เจาะลงไปว่าอะไรเป็นพระพุทธเจ้าพระตัวหลักๆจริงๆคำว่าพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงพระสัพพัญญุเตยานใช่ไหมครับพยานที่แทงตลอดโลกธาตุทั้งสิ้นนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าก็คือตัวปัญญานะครับนี่คือตัวปัญญาญานนะสูงสุดตัวนี้เข้าใจนะทีนี้ตัวปัญญาญาณที่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงตรงเนี้ย แล้วมีองค์ประกอบไหมมีไม่ใช่มีแค่ปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นพุท ธ, ธะที่เกิดขึ้นในกระแสขันของพระมหาบุรุษของพระพุทธเจ้านั้นมันยังมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งความเพียรมีทั้งตัวศรัทธาอะไรเยอะแยะหมดที่เป็นกลุ่มสังขารละขันแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นในกระแสเกิดร่วมกันจะสัมพยุจตยานก็เป็นพุท ธ, ธเจ้าด้วยสัญญาคือความจําได้หมายรู้ที่เกิดร่วมกับสัมพยุจตยานเป็นพระเจ้าด้วย แม่วิญญาณคือตัวจิตที่เป็นประธานของกลุ่มเจตสิกธรรมทั้งหลายก็เป็นพุทธะด้วยรวมถึงรูปประคัที่ประดับไปด้วยมหาบุริสละขนาะ3าประการและนุปรัญชนะแปอันเป็นที่ตั้งของนามธรรมาทั้งหลายก็เป็นพุทธะด้วยสรุปแล้วก็คือทั้งรูปประคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่มีภัสสปัญญตญาณเป็นประธานสามารถแทงตลอดโลกธาตุทั้งสิน้น ทั้งตลอดทุกโดยการกําหนดรู้สมุทัยด้วยการละนิโรธด้วยการทําให้แจ้งมรด้วยการอบรมด้วยการเจริญ น, นั้นความเป็นพทะเจ้านั้นจึงเป็นทั้งรูปปาัจายและทั้งนามากายเข้าใจยังทั้งรูปธรรมและนามธรรม ท, ที่บริบูรณ์ด้วยการชําระกิเลสและวาสนาให้หมดสิ้นจากกมละขันธสันดานนั่นแหละความเป็นพุทธะโดยมีพระสัพพยุตยานเป็นเป็นประธานเป็นจุดหมายหลักตรงนั้นพอมองออกไหม ว่าพุทธเจ้าจริงๆกล่าวเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมหลักๆจริงๆตัวหลักจริงๆนั้นหมายถึงตัวนามธรรมาใช่ไหมครับหมายถึงตัวสัพพยุตยานซึ่งเป็นตัวสูงสุดเป็นตัวยานปัญญาที่สูงสุดฉะนั้นตัวยานปัญญาที่สูงสุดนั่นแหละคือความเป็นพุทธแล้วก็ยังมีสภาวธรรมอื่นๆที่เกิดร่วมสัพพยุตยานอีกมากมายและตลอดทั้งรูปธรรม ท, ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บ เวลาไปสถานที่ตัสรุนุตตะาสมาสมพดิยานจะคิดออกไหมแบบนี้เห็นไม่เห็นมันจะมองเห็นหมดเลยว่าที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าประทับหลังจากตัสรุแล้วพระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งสวยมุติสุขที่โพธิบัลังพระแท่นวชชะาตหรืออัปาราชิตบรลังเนี่ยเจ็ดวันในขณะที่นั่งเจ็ดวันเนี่ยพระ อ, องค์นั่งอะไร คำว่าสวยมืดิสุกนั้นก็คือการที่พระองค์เนี่ยเข้าสู่ในสมาบัติระดับสูงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการได้บรรลุใช่ไหมได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจากการสิ้นกิเลสและในขณะเดียวกันที่กําลังสวยมืติสุขอยู่นั้นน่ะแล้วท่านระลึกไหมท่านเข้าสวยมืติสุขอยู่ก็พิจารณาอะไรพิจารณาปฏิจจสม บ, บาทใช่ไหมที่ถ้าเรา ไปดูในโพธิกถาในพระวินัยวิโดโเล่มแรกเน่เตนะสมัยเยนะพุทธโธพระกวาอุรุเวลายัางในไปต้นเนี่สมัยหนึ่งก็แรกตัดสรุสมมาสมุทริาทยาพระเจ้าประทับนั่งที่โพธิบัลลังเนี่ยที่ริมฝั่งแม่น้ำเนลันฉลาในปฐมยามเนี่ยในสั ป, ปดาห์แรกแห่งการตัดสรุนั้นพระเจ้าพิจารณาปฏิจสมบาติโดยอนุลม อวิชาปัจญจาสังขาราสังขาราปัญจญจาวิญญาณวิญญาณปัญญานามมรูปังเป็นต้นเนี่ยนั้นการที่พระเจ้านั่งประทับในที่ตรงนั้นแล้วก็มียานปัญญาในอย่างเห็นปฏิจจสมบัติทั้งอนุโลมและปฏิโลมเป็นต้นแล้วก็เป่งอูทานออกมาบอกว่าเมื่อใดแลทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุปัจจัยเยงี้ยนะ าการที่พระเจ้าอุทานอย่างนั้นขึ้นมาคําว่าพราหมณ์ในที่นั้นหมายถึงพระทหารหมายถึงพระเจ้านั่นเองทำทั้งหลายหมายความว่าสติประธานสี่สมประธานสี่ที่บาทสี่สี่ห้าพระรหโพชงเจ็มรคมีองค์แดก็คือโพธิปักคียธรรมที่ปรากฏแก่ท่านที่เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดแล้วความสงสัยก็หมดสิ้นจากกม ล, ลขันตสันดานพราะมารู้เหตุ เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสายาาาัตนาภาษาเวทนาตันหาวตานชาติชารามรานาโสกับริเทวทุกขโทมนาสุวายาตความเกิดขึ้นแห่งวัฏทุกมีได้ด้วยการอย่างนี้เพราะวิชาดับนีสังขารจึงดับเพราะญาณปัญญาเกิดขึ้นมาวิชากระดับสังขารดับนามรูปเป็นต้นดับความดับแห่งวัฏทุกก็มีได้ด้วยการนี้เป็นต้นการที่เข้าไปรู้อย่างนี้ก็็็เเปปนนนนนอุทาาขึ้้้มได่งีต ฉะนั้นการที่เราเข้าไปเจาะทะลุทะวงรู้สภาวธรรมเหล่านี้เราไปที่ถึงนั้นตื่นเต้นไหมครับธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะปรากฏเกิดขึ้นครับพุทธคุณทั้งหลายไปนั่งที่ตรงนั้นเราเห็นอะไรตอนที่พระพุทธเจ้าประทับยืนอยู่ที่อนิมิสเจดีแล้วก็มองที่พระต้นต้นศรีมหาโพลแล้วพระแท่นวัชิรอาจพระองค์คิดอะไรกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอะไรมา นั่นหลักคิดใช้พยานระลึกถึงฐานบา ร, รมีศีลเนคขมาปัญญาวิริยะคันติสจทัทธิฐานาเมตตาเวขาบารมีเราก็จะไปยืนตรงนั้นแล้วเราก็จะคิดเราก็จะคิดเราจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าโอ้โหกว่าจะมาหาบรนลังนี้เจอกว่าจะมาประทับนั่งตรงนี้กว่าจะตัดสู้สัมมาสัมโพวิยาณกว่าที่พระธรรมจะหมุนมาสู่กระแสชีวิตเราเนี่ยมีบุรุษท่านหนึ่งเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหาัสบำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างอุกฤษย่างแกล้า เนี่ยเห็นไหทุกที่ที่เราไปเนี่ยถ้าเราเห็นเราเข้าใจตรงนี้เราจะนึกออกเราจะไปนั่งคิดคนเดียวระลึกได้มันจะมีข้อมูลนะครับเป็นอาหารของสติเป็นอาหารของปัญญาเป็นอาหารของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันจะเห็นว่าทานบา ร, รมีแต่ละชาติ เห็นศีลนบธรมีทรงบำเพ็ญมาเห็นในคขมมะเห็นปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาวิขาบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาอุปบารมีสิบปรมัตถบารมีสิบมหาปริจาค้าห้ากว่าจะได้มานั่งตอนนี้ประชมพระบารมีทั้งหลายขจัดมารกิเลสมานขันธมานมัจจุมานอภิสังขารมานตลอดถึงเทปุตมารให้อันตราธานพ่ายแพ้และเป็นพระผู้พิชิตมาน เป็นผู้ตัดสู้สามมาสามปณิยานให้เราได้มากราบมาสักการะมาบูชายากจริงเนาที่กว่าจะเกิดขึ้นเลยตรงนี้ชีวิตของเราไม่เป็นหมันแล้วหนาะที่เราได้มาก้มศรีรษะใต้แทบมูลบาทของพระบระมา ศ, าศาสดาได้ถวายตนเองเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมนาเชื้อสายศากยาบุตรพุทธชินโอรสพอคิดต่อไปเราก็จะนึกถึงบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ตัดสู้ในศาสนาของพระเิซเจ้า และข้าพเจ้าจะฝึกฝนพัฒนาตนเองข้าพเจ้าจะทำศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูรณ์ทั้งตลอดอริยสัจ ต, ตามพุทธเจ้าให้ได้พระพุทธเจ้าไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนเราจะต้องพุทธเจ้าช่วยเรามาตั้งห้าสหรืออีกห้าสิไมเราจะขนหวายช่วยตัวเองไม่ได้งี้ไปต้นนี่ถูกไหมพอคิดอย่างนี้เราโอ้โหเราไม่ต้องไปคิดเองหาหนทางเองพุทธเจ้าบอกไว้หมด กระบวนการคำสอนทั้งหลายก็จะไปแนบศรีรษะซบใต้พระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติดีจะเป็นคนดีของพระพุทธเจ้าให้ได้จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อทําลายกิเลสและกองทุกข์ให้หมดสิ้นจากขันธสันดานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้พระพุทธเจ้าทํากิเลสได้ ว, วาสนาให้หมดสิ้นจากกรมลสันดานหะน้าที่ตรงนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ข้าพเจ้าแล้ว พระพเจ้าก็จะตั้งปฏิญญาณว่าจะทํากิเลสและกองทุกข์ให้หมดสิ้นตามพระพุทธเจ้าให้ได้โอ้โหพอนึกอย่างนี้ศรัทธาเกิดนะครับนี่มันเกิดจากความเข้าใจนี่ครับมันจะเกิดศรัทธาเกิดความตั้งมั่นเกิดความแกล้งแกล้าแกล้าอาถรรแล้วก็จะไม่ทอ้อเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้มาจากอะไรมาจากรู้และเข้าใจทุกจุดที่ไปเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นร่องรอยนะเห็นการสวยมุติสุขของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า แล้วเราจะชื่นใจว่าอิท่าตาถาโตโรเกวันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วผู้ที่จะเป็นพาตหาันเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่รู้ชอบได้เดี๋ยพระองค์เองหนะ้าที่ตรงนี้เวลาไปสวดจะไม่สวดธรรมดาแล้วสวดด้วยความตื่นเต้นมากเป็นพาราตหันก็ที่ตรงนี้แหละเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธกะก็ที่ตรงนี้แหละเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา 8. จรณสิบก็ตรงนี้แหละเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วอย่างบริบูรณ์ถึงอนุปาทานปรินิพานก็ที่ตรงนี้แหละเป็นผู้รู้แจ้งโลกคือขันธโลกสัตวโลกโอกาสโลกก็ที่ตรงนี้แหละ เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระกวารเป็นผู้จับแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะอย่างอย่างยอดเยี่ยมหาบุคคลอื่นไม่ได้เพื่อเจ้าสแสดงธรรมที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพราะได้ตัดสู้ธรรมตัดสูดส้ความจริงและที่ตรงนี้ข้าพเจ้าถวายตนเองอย่างมุ่งมั่นจะเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าจะตั้งมั่นในการบำเพ็ญศีลสมาธิ ป, ปัญญาให้อย่างติดต่อและต่อเนื่องจะบรรลุธรรมในอัตภาพนี้ให้ได้โอ้โหมีเรื่องอีกเยอะเลยที่จะคิดใช่ไหมครับ ถ้าท่านทั้งหลายไปก็อย่าลืมไปอธิษฐานอย่างนี้นะในพรรษาเนี้ยท่านมีโอกาสแวะไปได้ตลอดใช่ไหมครับไปมองแล้วก็ไปซบศีรษะใต้มูลบาศพระศ า, าสดาเนี่ยแหละแล้วก็ไปกต้นยานตนเองว่าโอ้โหเป็นบุญยราบแล้วจะต้องบรรลุให้ได้เหมือนกันทำได้ไหมครับถ้าอย่างนี้ศรัทธาเกิดไหมถ้าคิดแบบนี้อ่าคิดจากมีข้อมูลความรู้จากความเข้าใจหมดเวลาอย่างนี้ไหมหมดหรอยังโอเค อาไหว้พระกัน